อย่างดีก็เออ ม, มันมีแค่ตาสีุงจะไล่ได้เท่านั้นนะอาศัยว่าในอัตถกถาในในปฏิสัมพิธามมาให้หัวข้อไว้เยอะเหมือนกันนะแต่ก็ตึกไม่ค่อยได้ลึกซึ่งแสดงว่าเรายังขาดข้อมูลอีกเยอะใช่ไหมครับขาดข้อมูลอีกเยอะอืเพราะว่าอย่างอย่างดีนะเราก็ตึกแคบอัถะอของอ่า อัถะของอายตนะก็คือเป็นที่ต่อเป็นที่ประชุมนะครับเป็นที่เกิดแหล่งกำเนิดเป็นที่ประชุมเป็นที่เกิดเป็นแหล่งกำเนิดแล้วก็นำมาซึ่งสังสารทุกข์ก่อความเจริญตึกยากเหมือนกันนะแล้วก็ยังมี สูตรอื่นๆ อ, อ, อีกนะบอกว่าอายตนะภายในเหมือนเรือนว่างอายัตนะภายนอกเหมือนโจรปล้นเนี่ยนี่ก็ก็ได้มาอย่างนะเมื่ออายัตนาเกิดถือว่าโลกเกิดแล้วแล้วก็แล้วก็อะไรนะครับเมื่อเราก็ไปยินดีในโลกนั้นแหละแล้วก็เราก็เดือดร้อนเพราะอายตนานั่นแหละเนะครับ ก็ดูแล้วก็ไม่ค่อยไม่ค่อยนั่นนะฮะไม่ค่อยไม่ค่อยลึกซึ้งเลยฮะแล้วก็เอาชักกระชักกสูเข้ามาช่วยหน่อยเนะะีเพราะมันไอเรื่องอยัยตนะใช่ไหมฮะก็ได้ไปอีกหน่อยนะแต่ดูแล้วฝืดจังเลยไม่ราบัดท่านเคยตึกทั้งเรื่องนี้มงไหครับอคือพรไม่ไม่ได้ตึกในลักษณะ น, นั้นล่ะนะ จะจะตรึกในแนวปฏิจจสมุปาทจะส่วนใหญ่นี่นะอือคือให้มองให้ตลอดสา ย, ยานี่นะเน้นความตลอดสายก่อนถ้าหากว่าการมองอะไรที่ที่ตลอดสายไม่ไม่ออกการเจาะลึกนั่นนะ่ะมันก็ประโยชน์เนี่ยแทบไม่ค่อยเกิดนี่นะเมื่อเรามองอะไรไม่ตลอดสายแล้วเราเข้าไปทําในสิ่งนั้นเนี่ยมันจะเป็นเป็นปฏิฆะนิมิตอย่างอย่างร้ายแรงพรอสมควรนะนะ เหมือกับเรื่องอะไรที่เราเราไม่ค่อยรู้เรื่องนั้นแล้วเอาต้องเอาเรื่องนั้นมาคิดนะเรื่องนั้นเป็นปฏิคาณิมิตค่อนข้างสูงมากพอมาเวลาจะตรึกธรรมะหมวดใดหมวดหนึ่งเนี่ยนะจะไม่ตรึกเลยจะทําไหมในใจว่าเราจะตรึกธรรมะหมวดนี้เสร็จแล้วจะเริ่มหาข้อมูลไปเรื่อยๆโดยที่ให้ความสําคัญนั่นแห ล, ละแต่ว่ายังไม่ตรึกเรื่องนั้นเลยจะทิ้งไว้เป็นปีหรือหลายปีแล้วจึงจะเอาเรื่องนั้นมาคิด ในเวลาที่เหลือจะให้ให้ให้ค่าอย่างเดียวว่าเราจะตรึกเรื่องนี้น ะ, อ, ะอย่างอย่างก่อนหน้านี้มาก็ตั้งตั้งเป้าไว้เลยว่าเราจะต้องศึกษาธรรมะห้าหมวดนี้ให้ได้นะให้มองห้าหมวดยังไงก็ต้องให้มองเป็นเรื่องเดียวกันให้ได้ยังไงเรื่องขันท่ายตนาสัจจะอินทรปฏิจจะสมุป บ, บาทเนี่ยต้องมองเรื่องเดียวให้ออกกันได้เราก็ตั้งเป้าไว้แล้วก็หาข้อมูลไปเรื่อยๆนะโดยที่ไม่ถึงกรรีบนะเพราะว่า เรารู้ว่าบางเรื่องถ้าเราตรึกแล้วกุศลไม่เจริญยิ่งตรึกแล้วก็อึดอัดละ <c oughs> มันก็ต้องเอาไว้ก่อนนะจนกว่าจะสบายใจเมื่อไร่แล้วนึกเรื่องนั้นแล้วสบายใจด้วยจึงจะเอาเรื่องนั้นมาตรึกนะเพราะมีอยู่ครั้งหนึ่งตรึกปฏิสัมพิธานะอภินญญายนิเทศนี่แหละนี่มันจำได้เยอ ะ, ะมันไล่ได้เป็นชั่วโมงกัน แต่ว่าหัวเนี่ยมันร้อนเผาเผาขึ้นจาได้ตั้งเยอะเอ๊ะมันน่าจะมีความสุขมีปีติปราโมทย์อะไรซักอย่างเลยในนั้นนะเหลืออยู่อย่างเดียวคือความฟุ้งฟานนะนะเครียดแต่มันจาได้เยอะนะโอ้มาเยอะแยะไปหมดเลยเรารู้เลยว่านี่ผิดทางละตั้งกันนั้นมาก็เริ่มเปลี่ยนวิธีคิดใหม่นะว่าคิดในลักษณะนั้นไม่ไม่ถูกต้องนะทั้นการตรึกพระธรรมแต่ละหมวดนี้ ไม่ใช่อยู่ๆเราจะตรึกได้เลยก็ต้องตั้งเขาขึ้นมาก่อนเพราะฉะนั้นะถ้าเราสังเกตคาสอนนี่นะแต่ละสูตรแต่ละสูตรเนี่ยก่อนที่พระองค์จะแสดงขึ้นเนี่ยนะหนึ่งอาศัยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วพระองค์จึงจะแสดงสองคนถามมีคนมาถามปัญหานั้นพระองค์ก็แสดงธรรมะหมวดนั้นไปบางอย่างนะอัธยาศัยของพระองค์เองเป็นตัวกำหนด หรือบางอย่างก็อัธยาศัยของผู้ฟังเป็นตัวกำหนดแล้วพระองค์ก็แสดงธรรมไปนั้นการจานที่จะมีพระธรรมสักหมวดหนึ่งเกิดขึ้นจะเป็นลักษณะนั้นหรือเหมือนโสมนัสของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะโสมนัสยานจะเกิดขึ้นเห็นอะไรแล้วพระองค์แย้มพระอดเนี่ยนะแย้มหน่อยหนึ่งแล้วก็มีรัศมีออกพุ่งๆหายไปเรียกว่าโสมนัแล้วก็เปล่งโสมนัสยานเปล่งอุทานออกมา เนี่ยนะที่มาของคำพภดอุทานเนี่ยจะอาศัยเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วพระองค์จึงจะอุทานเกิดขึ้นมางนั้นการตรึกพระธรรมก็เหมือนกันเนี่ยนะจะต้องปัจจัยนี่มีความสำคัญมากสังเกตด้ฝนที่ไม่ตั้งฝนที่ไม่มีเขาหายากนะส่วนใหญ่จะมีเขาก่อนฝนจึงจะตกแต่ละความคิดก็เหมือนกันไม่ใช่อ ย, อยู่เราจะคิดอะไรแล้วคิดได้เลยเนี่ยนะก็ต้องตั้งเขา้เขาความคิดเนี่ยนะตั้งเข้าของความคิดซะก่อน แล้วจึงจะคิดเรื่องนั้ น, น, นได้เนี่ยนะอย่างธรรมะประเภทขันธาตุอายตนะเป็นต้นเนี่ยนะถ้าเราสลดสังเวทใจในสังสารวัตรน้อยเนี่ย น, นะเราจะตรึกอ่อนมากเลยเรื่องนี้เนี่ย น, นะช่วงใดที่เราไม่สนใจเรื่องการเวียนไหวตายเกิดเรื่องความทุกข์ของขันธาตุอายตนะชาติพิทุกขาจาราพิทุขาเป็นต้นเนี่ยนะยังไงเราก็ตรึกไม่ได้เนี่ย น, นะ ถึงจำได้เลยเอาไล่ได้หมดเลยเป๊ะเป๊ะเป๊ะ เ, เนี่ยนะบริเสธหนึ่งถึงปฏิเสธเก้าเนี่ยว่าได้หมดเลยก็ก็ไม่ลึกซึ้งอะ่เนะเห็นไหมเพราะว่าสังเกตในการพิจารณาพระธรรมเนี่ยสังเกตหลายอย่างละใช้หลายๆวิธี อ, อยู่อยู่อย่างนี้แล้วเอาเรื่องนี้มาคิดสิคิดได้ไหมไม่ได้เห็นไหมต้องมีปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งให้สังเวทใจให้สลดใจหรือให้รื่นเริงเราจึงจะคิดในเรื่องนั้นๆได้เห็นไหมแล้วความคิดมันเกิดด้วยปัจจัยเหมือนกัน ก็มโนธรรมะมโนมโนอาศัยมโนกับธรรมะจึงเกิดมโนวิญญาณดังนั้นการตรึกพระธรรมก็คือมโนวิญญาณที่เกิดขึ้นในเรื่องนั้นๆอย่างสืบเนื่องดังนั้นถ้าธรรมะมโนกรบธรรมะอ่อนเนี่ยนะมโนวิญญาณก็จะเกิดอ่อนนะก็ต้องดูว่าธรรมะที่เป็นปัใจจัยให้มโนวิญญาณอันนั้นเกิดเนี่ยคืออะไรนะะที่บอกว่าอย่าง กุศลธรรมนั้นมีโยนิโสมนณสิกาเป็นเป็นเหตุใกล้โยนิโสก็คืออะไรก็คือการใส่ใจไปในเรื่องของอริยสัจเป็นต้นนั่นเองทําไมอริยสัจพระองค์แสดงทุกขสั์ขึ้นก่อนนะเห็นไหมแสดงทุกขสั์ขึ้นก่อนชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรนามปิทุกขักขกขงเราก็ต้องมองชีวิตให้ให้มันตลอดสายก่อนแล้วจึงจะเจาะลึกในเรื่องบางเรื่องแต่ถ้าบางขณะเราเจาะลึกเลยเนี่ยค่อนข้างยากเหมือนกัน <c oughs> เออมื่อวานเราก็ได้พูดถึงการ ตรึกเนี่ยนะวิต ก, กะสันธานสูตรเป็นพระสูตรที่ทำให้รู้จักลักษณะสันฐานเหตุปัจจัยของวิตกกนเถอะรู้เรื่องทางเดินของวิตกรู้เรื่องของความคิดเนี่ยน ะ, ะถ้าเป็นทาวานี่อยู่ทาวานไหนมโนทาวานเนี่ยนะไม่ใช่จกักขุทาวาน น, นะนะถ้าเราลองไล่ธรรมะเลยนะ<ม>อาศาัยจกักขุแลรูปเกิดจกักขุวิญญาณความประชุมของธรรมสามประการเป็นภาษะ ภาษาเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาอันไม่ใช่ทวารตาแล้วก็ไล่ทวารหูอีกไม่ใช่ทวารหูไม่ใช่ทวารจมูกไม่ใช่ทวารลิ้นไม่ใช่ทวารกายแต่เป็นเรื่องของมโนวิญญาณมโนวิญญาณอันนี้เนี่ยเกิดขึ้นมาเป็นมโนวิญญาณของผู้ที่ประกอบอธิจิตเนี่ยนะเป็นความคิดที่เป็นไปกับกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนะที่ท ที่ชํานาญแล้อย่างคนที่ชํานาญในเรื่องการเจริญเมตตาก็ตรึกในเรื่องเมตตาเจริญเมตตาเนี่ยหาเหตุหาปัจจัยขี้แต่ให้ให้มีเมตตาเกิดหรือคนที่เจริญกรุณาก็หาเหตุหาปัจจัยให้กรุณามันเกิดอ่ะหรือคนที่เจริญมรณานุสติก็หาเหตุหาปัจจัยที่จะตรึกเรื่องมรณานุสติเรื่องอาหาเรปฏิกูลสัญญาเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งมาฝึกทีนี้ในขณะที่กําลังเจริญไปเนี่ยนะเจริญเมตตาอยู่โทสะเกิด หรือเจริญกรุณาอยู่วิหิงสาเกิดอย่างไงแก้อย่างไงหรือกําลังเจริญกรรมฐานบางอย่างอยู่โลภะเกิดอกุศลไม่ตกเกิดก็บอกว่าชั้นต้นเลยก็บอกให้มนสิการนิมิตอื่นจากนิมิตนั้นอ่มะมนสิการนิมิตอื่นคืออะไรก็คือเปลี่ยนกรรมฐานนะเมื่อตรึกไปแล้วฟุ้งฟ่านงดหงิ ด, งดกุศลไม่ค่อยเจริญนะเปลี่ยนกรรมฐานะนะชั้นต้นเลยให้เปลี่ยนกรรมฐานถ้าไม่เปลี่ยนกรรมฐานชาวนะจิตของเราเนี่ยนะจะเป็น จเจริญอย่างอื่นแทนแล้วน ะ, จะเจริญโลภะแทนแลนะเนี่ยนะจะเจริญโทสะแทนจ ะ, จะเจริญวิตกแทนจ ะ, จะเจริญอุทจจะแทนและไม่ใช่จิตเป็นไปกับกรรมฐานละถ้าอย่างผู้ที่ศึกษาเรื่องอนาปานาสติเนี่ยนะจะรู้ว่าถ้าจิตต้องการเนี่ยนะนะสมมติลมหายใจเข้าแต่ต้องการให้ลมหายใจออกเนี่ยก็โลภะอย่างหนึ่งกันอันนั้นนะในเรื่องรายละเอียดนี้ต้องมีความเข้าใจให้เพียงพอในกรรมฐานนั้นนั้น อย่างเมตตาที่เราเจริญเนี่ยต้องใส่ใจว่าเออนี่เป็นปิยมนาปะสัตว์เนี่ยอารมณ์เมตตาต้องเป็นอย่างนี้นะเนี่ยนะกรุณานี่อารมณ์ต้องเป็นอย่างนี้นะทุกขิตสัตว์นะมุทิตาต้องสุขิตาสัตว์นะอย่างเงี้ยอุเบคาต้องเป็นมัชตะสัตว์นะอ่าต้องใส่ใจในลักษณะเนี่ย น, นะจำนิมิตอันนั้นให้แม่นพอสมควรโดยที่เอาตัวเองเนี่ยเป็นพยานแห่งเมตตาการุณาแล้วค่อยๆจเจริญไปหาเหตุหาปัจจัยหาวิธีการที่กระตุน้นเตือนให้เมตตาเนี่ยเกิดขึ้น แต่ช่วงที่กำลังเจริญเนี่ยบางทีเนี่ยอย่างอื่นจะเข้ามาแฝกเนี่ยนั้นคนที่เจริญธรรมะจึงไม่ควรศึกษาธรรมะสูตรเดียวนะควรที่จะศึกษาธรรมะหลายๆ ส, สูตรบางนั้นแต่หรือแม้แต่สูตรเดียวเนี่ยนะอย่างที่พระองค์สอนพระราหุลก็ไม่ได้สอนการเจริญกรรมฐานกรรมฐานเดียวสอนทั้งเจริญอสุภะเพื่อกําจัดราคะเจริญเมตตาเพื่อกํ sa, อาจัดโทสะเห็นไหมเจริญทั้งเมตตาภาวนาแล้วก็เจริญ ภาวนาเสมอด้วยแผ่นดินอย่างเงี้ยเจริญธาตุสี่โปร่งสอนอนาปานสติเพื่อกําจัดวิตกเนี่ยนะนั้นสลับกันตลอดนะถ้าไม่สามารถเจริญสลับได้อกุสุรจิตก็จะเกิดขึ้นการการตรึกพระธรรมก็เหมือนกันเราต้องสามารถที่จะสามารถทรงจําได้หลายๆสูตรจึงจะตรึกได้ยาวเนี่ยนะถ้าตรึกโมแล้วทําไงสวดโมดสวดไปก่อนให้จิตมันสบายใจมันไม่ต้องใช้ความคิดอะไรก็สวดในบทที่เราชํานาญให้มันสบายใจก่อนแล้วมาตรึกใหม่ นะสนสวดจบแล้วก็ตรึกใหม่ก็สลับกันไปลักษณะนี้ทําไม่อย่างนั้นไม่ได้หรอกเห็นไหมไม่งั้นเนี่ยนะก็จะหาอย่างอื่นทําละนั่งไปนั่งทําอะไรเนี่ยนั่งไปนั่งมาหาล้างจานยังได้ประโยชน์กว่าทั้งเยอะบางั้นนะนะเช่นว่าถ้ากุศลไม่เจริญนี่ก็ไม่ไม่สนุกเหมือนกันนะเพราะว่าเว้นไว้แต่ว่าเราไปรับกิจกรรมอย่างอื่นเนี่ยนะเว้น แต่ถ้ากิจกรรมรับกิจกรรมทำอย่างอื่นมัยาวเลยนะมันมีโอกาสมานั่งนะสมมารจับก่อสร้างอย่างเดียวเท่านั้นนะไปเรื่อยแล้วกันนี่กว่าจะเ็ะหลังหนึ่งเนี่ยยาวนะหรือจะไปธุระไปโน่นมานี่นะติดต่อเพื่อนโอ้เนี่ไปไกลเลยกันนี่อโอ้ถอยถอ ย, อถอยลึกใช่ไหม แล้วคนที่เจริญกรรมฐานได้เนี่ยข้อมูลต้องต้องเพียงพอจ ร, จ, ร ng, จริงๆจรงจะรักษาความคิดให้จิตเป็นกุศลได้ทั้งมันอ่ะก็ท่านท่านกล่าวไว้ว่าการที่เราไปทําบุญกับผู้ที่มีอกいいุศลวิตกเนี่ยนะทำถวายทานกับผู้ที่กรมวิตตกเกิดพยาบาทวิตกเกิดวิหิงสาวิตตกเนี่ยทานันนั้นเป็นทานที่ไม่มีผลมากไม่มีอนิสงส์มากนะพระองค์ตรัสไว้อย่าง น, านั้นด้วยซ้ำไปเนี่ยนะเพราะฉะนั้นอกุศลวิตตกเนี่ย พระ อ, องค์จึงไม่ให้ยินดีแล้วพระสูตรที่กล่าวถึงวิธีการกำจัดอากุศลนิมิตตกนี่มีมากมายมหาศาลยิ่งพระสมัยก่อนเนี่ยบินธบชันเสร็จเนี่ยเข้าเดินเข้าป่าอย่างเดียวไปทำอะไรไปนั่งอยู่คนเดียวในป่านะคุยก็ไม่ไม่ชอบถ้าคุยก็กระทาวัตถุสิบนะกระทามักน้อยสันโดดไม่คลุกคลีปารบความเพียรวิเวกยงงทานศีลสมาธิปัญญาวิมุตติยานัทสนะเนี่ยนะ สนทนาสติประธานสมมประธานอิทิบาทอินทรพละโพชงอาริยมัสมีองแปดก็ここคุยอยู่เท่านั้นน่ะถ้าคุยก็คุยอย่างนี้ต้องไม่คุยเดรัจฉานคาถานเนี่ยท่านบอกเลยนะยนนว่าเราจักไม่กล่าวติรัจฉานกถาสาสิบสองเรื่องเรื่องเรื่องพระราชามหาหมาเรื่องช่างเรื่องม้าเรื่องญาติเรื่องคนตายเรื่องค น, เ, งคนเป็นอะไรเงี้ยไม่ให้เอามาคุยกักอย่างเรื่องทะเลมหาสมุทรอะไรเนี่ยเพราะนั้นให้สนทนาแต่ธรรมะ ในถ้าข้อมูลไม่เพียงพอจะไปสนทนาได้ยังไงจะไปใช้ชีวิตอยู่อย่างนั้นได้ยังไงงั้นการใช้ชีวิตในสมณะที่จะประพฤติพรหมอาจารย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์เนี่ยนะถ้าความรู้ไม่พอก็ยากเนี่ยความรู้ไม่ไม่พอก็ยากจริงๆเพราะฉะนั้นสมัยนั้นเขาจึงอาศัยครูบาอาจารย์เนี่ยเป็นเป็นหลักนะครูบาอาจารย์เนี่ยก็จะจะบรรเทาวางเงินอาจารย์ มีข้อปฏิบัติอย่างหนึ่งที่ต้องปฏิบัติต่อลูกศิษย์คือต้องบรรเทาความประสาทขัดสนของลูกศิษย์ถ้าเกิดลูกศิษย์เนี่ยดูท่าไม่ค่อยดีแล้วนะต้องหาเปลี่ยนพาเปลี่ยนที่หนึ่งเนไเป็นภาระของอาจารย์หมดเลยนะพาเปลี่ยนสถานที่เห็นไหมหรือพูดให้กําลังใจหรือเกิดเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะเข้าไปดูแลทุกอย่างเลยเนี่ยนะในระยะเวลาหปีเนี่ยนะ ถ, ถ้าตามคมภีร์เนี่ยจะเป็นลักษณะนั้นเลย เพราะสมัยนั้นเขาก็มีบุญเนี่ยนะอาศัยครูบาอาจารย์มีตัวอย่างที่ที่ควรแกการปฏิบัติตามให้เห็ น, นแต่สมัย น, นี้ก็ได้แต่เออนั่งจินตนาการฝันเอาฝันกลางวันด <นะ S 2> ้วยเจิดพองใช่ก็โรคคือกิเลสในในไงโรคคือโทรโรคคือราค่าโรคคือโทสะโรคคือโมหะแนมันเป็นโรคที่ ก็บอกว่าคนที่ปฏิญาณว่าไม่มีโรคทางกายเนี่ยนะตลอดวันหนึ่งคืนหนึ่งสองคืนหรือว่าตลอดปีสองปีหรือร้อยปียังพอหาได้คนที่ปฏิญาณว่าไม่ป่วยทางใจเนี่ยหาได้ยากเว้นพระขีนาศพ็จแล้วเนี่ยนะมันถ้าหากว่าความคิดของเราเนี่ยถ้าไม่มีสังวรวินยัยไม่มีปหานวินยัยเข้าไปเกี่ยวข้องในแต่ละอารมณ์เนี่ยนะเราจะเห็นถึงถึงว่าอาภัพภูมิคลจริงเลย พัพภาคั ม, มนโนอภพพาคั ม, มนโนเป็นประเภทอภพพาคั ม, มนโนงั้นเรานั้นการที่เราจะตรึกให้เป็นกุศลได้เนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากแต่พระองค์ก็ถ้าเรามีศรัทธาที่จะศึกษาไปเรื่อยๆนะพระองค์แก้ปัญหาให้เราหมดเลยไม่มีปัญหาใดที่พระองค์ไม่แก้เอาไว้เพียงแต่ว่าเรามีศรัทธาค่อยๆศึกษาตามนั้นหรือเปล่าเนี่ยนะถ้าเป็นสมัยก่อนถ้ามีครูบาอาจารย์ที่มีความสามารถก็ดีเวลาเราอากุศลอกุศลวิตกเกิดขึ้นเนี่ยนะไปคุยกับท่าน Cái, ท่านรู้ปัญหาเราเลยว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยแค่ยกเรื่องหนึ่งเรื่องขึ้นมาเนี่ยนะครูอาจารย์ที่ท่านฝึกมานานเนี่ยท่านจะรู้เลยว่าเรื่องนี้สุภาพนิมิตของคนนี้เรื่องนี้ปฏิฆานิมิตของคนนี้เรื่องนี้อุเบกขานิมิตของคน น, นี้เนี่ยนะแคะ่เรื่องที่ยกมาพูดเนี่ยรู้ได้ทันทีเลยแล้วท่านจะต้องต่อด้วยธรรมะมัวตายเนี่ย <f ew requirements> นะเพราะว่าผู้ที่ศึกษามากๆเนี่ยจะพระองค์เนี่ยแก้ปัญหาให้หมดแล้วนี่ใช่ เขาก็จะหยิบยกปัญหาตามที่คำสอนเนี่ยมากล่าวให้ฟังแล้วก็จะสบายใจฉะนั้นการยา น, นมิตรเนี่ยมีมีความสำคัญจริงๆแต่นี้ก็ของเราก็ต้องพระองค์บอกว่าดูความพิสูุทั้งหลายจงมีตนเป็นเกาะจงมีตนเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยว่างั้นจงมีธรรมะเป็นเกาะจงมีธรรมะเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยว่างั้นอย่างไรพิสูจชื่อว่ามีตนเป็นเกาะ เชื่อว่ามีตนเป็นที่ enfin. พึ่งนะพิสูุในธรรมวิมินนี้พิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกําจัดอภิชาในโลกกําจัดอภิชาและโทมนั์ในโลกเสียได้พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกําจัดอภิชาและโทมานต์ในโลกเสียได้พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกําจัดอภิชาและโทมานต์ในโลกเสียได้ พิจารณาเห็นธรรมะในธรรมะอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียได้อย่างนี้แหละพิสูุนชื่อว่ามีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งมีธรรมะเป็นเกาะมีธรรมะเป็นที่พึ่ง น, นะนะก็ต้องสา ม, มารถที่จะเจริญสติปัฏฐาน4ทีนี้กายพิจารณาเห็นกายในกายเนี่ยพิจารณาอย่างไรพิจารณาโดยอานาปานาสติ น, นะพิจารณาโดยอิริยาบทสี่ สัมปชัญญะบัพพาเนี่ยนะก็กายานุก็แจกบัพพาไปอีกเวทนาก็แจกไปเป็นเวทนา9จิตก็แจกไปเป็นจิต16ธรรมะก็เป็นธรรมะห้าหมวดอันนั้นแหละจนกว่าที่เราจะมีความเข้าใจในธรรมะเหล่านั้นสามารถปฏิบัติตามนั้นได้จึงจะเชื่อว่ามีตนเป็นเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นเป็นที่พึ่งมีธรรมะเป็นเกาะมีธรรมะเป็นที่พึ่งแต่จะมีที่พึ่งจริงๆก็ระดับไหนเขาบอกว่ามีตนเป็นเกาะเนี่ยแค่ไหน โลกิยธรรมและโลกุตรธรรมว่างั้นโน่นจริงจะเชื่อว่ามีที่พึ่งจริงๆอ่ะ น, นะตอนต้นๆก็กุศลธรรมอันนั้นก็เป็นไปตามคําสอนก่อนใช่ไหมปฏิบัติตามคําสอนก็เป็นลักษณะจิตที่เป็นไปกับธรรมมังสระนังฆะฉามิต่อเมื่อปฏิบัติธรรมจนถึงโลกุตรธรรมจริงๆแล้วไป น, นี้ก็สบายแล้วคันนี้ปิดอบายได้แล้วโซลบาลก็เจ็ดนะมาสู่ความเป็นมนุษย์อีกไม่เกินเจดชาติว่างั้นสบายแล้ว วิธีที่สองว่าไงนะถ้าอากุศลวิตตกเกิดขึ้นให้พิจารณาโทษของอกุศลวิตกเหล่านั้นว่าวิตกเหล่านี้ล้วนแต่เป็นอากุศลเป็นอย่างนี้เนี่ยนะเมื่อคืนเอาถึงข้อความในมหานิเทศมาอ่านให้ฟังแล้วใช่ไหมถึงว่าอันตรายว่างั้นอกุศลเหล่านี้นี่มันอันตรายเป็นอันตรายภายในเป็นอันตรายที่ปกปิดว่าไง ท่านกล่าวว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายหากว่าเมื่อพิสูจนนั้นมณสิการนิมิตอื่นจากนิมิตนั้นอันประกอบด้วยกุศลอยู่วิตกอันเป็นบาปอากุศลประกอบด้วยฉันทบ้างโลภะแปดะนะประกอบด้วยโทสะบ้างก็คือโทสะสองโมหะบ้างโมหะเท่าไหร่นะสิ 12, นะโมหะเนี่ยสิดวงแต่ถ้าเป็นโมหะมูลจิตมีสองดวงนะ่ยนะ ยังเกิดขึ้นเรื่อยๆทีเดียวดูก่อนพิสูจนทั้งหลายภิสูุนั้นควรพิจารณาโทษของวิตกเหล่านั้นว่าวิตกเหล่านี้ล้วนแต่เป็นอกุศลแม่อย่างนี้วิตกเหล่านี้ล้วนแต่เป็นโทษแม้อย่างนี้วิตกเหล่านี้ล้วนแต่มีทุกข์เป็นวิบากแม้อย่างนี้ดังนี้เมื่อเธอพิจารณาโทษของวิตกเหล่านั้นอยู่วิตกอันเป็นบาปอากุศลยังประกอบด้วย sinon, ประกอบด้วยฉั้นทะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างอันเธอย่อมละเสียได้ ย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละวิตกันเป็นบาปอากุศลเหล่านั้นได้จิตย่อมตั้งอยู่ด้วยดีนะพิจารณาโทษนี่ก็ขมได้เหมือนกันะนะเนี่ยนะบางบางทีเนี่ยนะเวลาอากุศ ล, ลจิตเกิดขึ้นมามีโทษหรือไม่มีโทษถามเหมือนกันอ่านะมันบอกว่ามีโทษมีโทษนะให้ผลเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์อนะไนะให้ผลชาตินี้ได้ไหมได้ได้ให้ผลชาติหน้าไหมให้นะนะ ให้ผลชาติต่อไปไหมให้สะสมอุปนิสัยแบบนี้ไหมสะสมแล้วถ้าอากุากศลี่ตกแบบนี้เกิดขึ้นนะเนี่ยเป็นทานไหมไม่ใช่ไล่ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อก็เลิกเหอกันนะบ อ, บอกไม่คิดแล้วว่างั้นอ <laughs> อยอมแพ้แล้ว <laughs> <laughs> ดูคารพิสูจน์ทั้งหลายเปรียบเหมือนหญิงสาวหรือชายหนุ่มที่ชอบแต่งตัวรู้สึกอึดอัดระอาเกลียดชังต่อซากงู ซากสุนัขหรือซากมนุษย์ที่ผูกติดค อ, อผูกติดอยู่ที่คอของตนแม้ฉันใดศพแขวนคอว่างั้นเถอะพิกษุก็ฉันนั้นหากเมื่อเธอมนุิการนิมิตอื่นจากนิมิตนั้นอันประกอบด้วยกุศลอยู่วิตกอันเป็นบาปอากุศลประกอบด้วยฉันทะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างยังเกิดขึ้นเรื่อยๆดูก่อนพิสูจนทั้งหลายพิกษุนั้นควรพิจารณาโทษของวิตกเหล่านั้นว่า วิตกเหล่านี้ล้วนแต่เป็นโทษเนีเป็นอกุศลแม้อย่างนี้วิตกเหล่านี้ล้วนแต่เป็นโทษแม้อย่างนี้วิตกเหล่านี้ล้วนแต่มีวิบากมีทุกขเป็นวิบากแม้อย่างนี้ดังนี้นะอกุศลวิตกยังให้ผลเป็นเป็นทุกข์เลยเมื่อเธอพิจารณาโทษของวิตกเหล่านั้นอยู่วิตกอันเป็นบาปอกุศลอันประกอบด้วยฉันท่าบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างอันเธอย่อมละเสียได้ ย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละวิตกอันเป็นบาปอากุศลเหล่านั้นได้จิตย่อมตั้งอยู่ด้วยดีสงบเป็นธรรมเอกผุดขึ้นตั้งมั่นในภายในนั่นแห ล, อรรลนะอ๋นะ อ, อก็เป็นข้ะเจตนาก็เกิดร่วมอยู่ในนั้นด้วยคือท่านให้นัยะไงถ้าบอกว่าเป็นอกุศลเนี่ยหมายถึงอะไรจะเกิดขึ้นบ้างเนี่ยนะท่านให้หนัยเพราะ ผู้ที่พอพระองค์ให้ในายอย่างนี้จะต้องรู้เรื่องของอกุศลมาเป็นอย่างดีว่าอากูสนนี่มีความหมายว่ายังไงขยายได้หมดเลยเนี่ยน ะ, ะล้วนแต่มีโทษเนี่ยนะมีโทษยังไงอย่างเงี้ยก็สามารถเอาเรื่องทุกโทษของบาปอากุศนมามาไล่ได้หมดเลยแล้วก็บอกว่าวิตกเหล่านี้เนี่ยล้วนแต่มีทุกขเป็นวิบากเนี่ยนะเป็นอย่างไรก็อธิบายสิ่งเหล่านั้นได้ทั้งหมดเนี่ยนะ คือพุทธพจน์นั้นบางส่วนเนี่ยจะไม่ไม่ขยายละเอียดนะเพราะว่าพระ อ, องค์นี่เป็นคนที่จํากัดคําพูดค่อนข้างมากเนี่ยนะคำที่ไม่มีประโยชน์แม้แต่คําเดียวพระ อ, องค์ยังไม่ตรัสเลยนะแล้วพระ อ, องค์เนี่ยเป็นผู้ที่รู้การว่าพระ อ, องค์จะแสดงกับใครเนี่ยนะแล้วก็ผู้ฟังเนี่ยมีข้อมูลขนาดไหนเนี่ยพระองค์กําหนดได้หมดเลยอ่าไม่ไม่เหมือนไม่เหมือนของเรานะของเรามีบากไม่ได้ดีขนาดนั้น แต่ที่น่าสังเกตที่บอกว่าบทว่าอาหิกุลเปนะเป็นต้นนี้แปลว่าซากงูเป็นต้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้เพื่อแสดงถึงซากศพทั้งหลายว่าล้วนแต่เป็นของปฏิกูลน่ารังเกียจอย่างยิ่งคือนํำซากศพในที่ใดที่หนึ่งซึ่งหาประโยชน์ไม่ได้มาผูกคือมาสวมใส่ไว้ที่คอก็ละอายรังเกียจเนี่ยนะเมื่อเธอรังเกียจเหตุแม้นี้แล้วใคร่ครวญด้วยกําลังของปัญญาของตนเนี่ยนะที่ ที่รู้สึกรังเกียดสภาพจิตที่เป็นบาปอันนะในชั้นต้นเลยเนี่ยนะคนที่จะละบาปได้ก็ต้องรังเกียจสภาพจิตที่เป็นบาปไม่ได้รังเกียจอารมณ์นะรังเกียจจิตอันนั้นว่าเฮ้ยจิตอันนี้มันน่ารังเกียจเหมือนกับซากศพของสุนัขซากศพของมนุษย์แขวนคอนะคนชอบสวยชอบงามเนี่ยเอาศพนะกําลังตายฟ่อนเฟ่เลยเนี่ยมาแขวนคอเนี่ยโอ้มันน่าอึดอัดขนาดไหนน ะ, ะจิต ท, ที่เป็นบาปเป็นอคุศนก็ลักษณะนั้นแหละ อกุศลละธรรมเหล่านี้ล้วนแต่มีโทษมีทุกข์เป็นวิบากก็จะละเสียได้เปรียบเหมือนหญิงสาวหรือชายน่มรังเกียรทซากงูเป็นต้นฉะนั้นเมื่อก็เมื่อใดพิกสุไม่อาจเพื่อจะคร้ครวนด้วยกำลังปัญญาของตนได้อุสาหคิดเองเอ๊หากคิดไม่ได้นะคิดไปคิดมาเอ๊ชักแย่ละเธอพึงเข้าไปหาอาจารย์หรืออุปชัยยะหรือเพื่อนสัพพมจารีผู้ควรแก่การเคารพหรือพระสังฆเถระรูปใดรูปหนึ่ง จะต้องเข้าไปหาผู้ที่เราเคารพจริงๆเลยนะแล้วตีระครังให้พิษุมาประชุมกันบอกให้ทราบถึงเหตุนั้นนะบอกตอนนี้ผมคิดใหม่ดีเลยมันนั้นผมปล่อยคืนคิดอย่างนี้นานๆเนี่ยสังขารทิเศษแน่นั้นก็ต้องตีระครังบอกเลยเนาะบอกว่าเพราะว่ามนุษย์ผู้เป็นบัณฑิตคนหนึ่งจักมีในที่ประชุมนั้นเนี่ย น, นะก็บัณฑิตนั้นก็จะบอกว่า ท่านพึงเห็นโทษในอากุากศลวิตกอย่างนี้อย่างนี้หรือว่าจาักข่มอกุศลวิตกเหล่านั้นด้วยคาถาทั้งหลายมีกายวิวชินธนียขาถาเป็นต้นนะก็พูดถึงเรื่องของความนะก็คือเอาเรื่องร่างกายมาพูดโดยละเอียดว่างั้นเถอะมันแตกมันเป็นยังไงอ่ะนะตั้งแต่หัวตัดปลายเท้าเนี่ยแต่ละส่วนแต่ละส่วนเนี่ยนะอย่างงี้ต้องให้โยมอาจารย์มาที่บายปะนั่งเล่าได้ทั้งวันมั้งเนาะ นั่งแสดงกายวิภาคได้ทั้งมาเลยตั้งหัวจรท้าเลยไล่ได้หมดเลยเนาะกำลังนึกๆึกเอ๊ะเมื่อไหร่น่จะได้จะไปสอนเรื่องนี้มัง่ง <c oughs> นะนะผู้ที่ได้กา ร, รยานมิตรเนี่ยจะช่วยได้เยอะเนี่ยพกที่อกุศลเหล่านี้เกิดขึ้นก็จากข้อมูลเนี่ยผ้าหลายองค์เลยเวลาไปเจริญกรรมฐานเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงๆ พอใหม่ๆนี่ไปอยู่ในป่านี่เขาว่าท่านเล่านะบปู่มันสงบมันเงียบดีจริงๆเลยเขาว่าสงบดีจริงๆวันหนึ่งผ่านไปนะที่เหลือเนี่ยอ๊อดีตเคยไปทําอะไรมาหมดเลยว่างั้นกบัตแทบคลั่งอยู่ในป่าคนเดียวนั่นแหะไม่ธรรมดานะความคิดเนี่ยพอมันได้ปัจจัยเนี่ยมันได้เชื่อเนี่ยเพราะสะสมมาทุกอุปนิสัยเนี่ยใช่ไหมก็น่าหน้าน่าเห็นใจบางคนเนี่ยท่านเล่านะ ยังได้ขำอยู่ทุกวันนี้เลยบอมันหนักหนักเข้านี่ยหัวต้นตะดาวเลยป๊าบไปแข้งเนี่ยระบมหมดเลยเอกุศลมันเกิดขึ้นเต็มที่เนี่ยร <c> ะ <oughs> ยะที่สามก็คืออัศิตะอัศิตะก็คือไม่ใส่ใจในวิตกเหล่านั้นเนี่ยนะ <c oughs> ดูกานพิสูนทั้งหลายหากว่าเมื่อพิษูุนนั้นพิจารณาโทษของวิตกเหล่านั้นอยู่ วิตกอันเป็นบาปอากุศลประกอบด้วยฉันทะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างยังเกิดขึ้นเรื่อยๆดูก่อนพิสูจนทั้งหลายพิสูจนนั้นพึงถึ ง, ถงความไม่นึกถึงคือไม่ใส่ใจวิตกเหล่านั้นคือไม่เอาละเหมือนกันเลิกคิดละ <laughs> เมื่อเธอไม่นึกถึงไม่ใส่ใจวิตกเหล่านั้นอยู่วิตกอันเป็นบาปอากุศลประกอบด้วยฉันทะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างอันเธอย่อมละเสียได้ ย่อมึอ่ย่อมถึงความตั้งอยู่ละไม่ได้เพราะละวิตกอันเป็นบาปอากุศลเหล่านั้นได้จิตย่อมตั้งอยู่ด้วยดีสงบเป็นธรรมะเอกผุดขึ้นตั้งมั่นในภายในนั้นแหละดูกาพิสูจ์ทั้งหลายเหมือนบุรุษผู้มีจักสุไม่ต้องการจะเห็นรูปที่ผ่านเขาพึงหลับตาเสียหรือเหลียวไปทางอื่นเสียแม้ฉันใด พิสูก็ฉะนั้นหากเมื่อเธอพิจารณาโทษของวิตกเหล่านั้นอยู่วิตกอันเป็นบาปอากุศลประกอบด้วยฉันทะบ้างเป็นต้นเนี่ยนะก็ให้ไม่ใส่ใจถึงวิตกอันนั้นเหมือนกันนะก็คือไม่คิดแล้ว <c oughs> ในอัตถกถาท่านอธิบายว่าบทว่าอสติมณสิกาโรอาปัชิตโพได้แก่พิสูนั้นไม่พึงนึก ไม่พึงใส่ใจถึงอกุศลวิตตกเหล่านั้นพึงเป็นผู้ส่งใจไปในอารมณ์อื่นๆนะก็คือผมว่าเห็นอยู่หลายๆคนใช่ไหมไม่มองคนนี้จะมองคนนี้เปลี่ยนเปลี่ยนอารมณ์แบบั้นเปลี่ยนความคิดได้ที่จริงอย่างถ้าทวารตาเนี่ยนะจิตทวารตาเนื่องด้วยมนานัสการานะมนานัสการให้รู้อารมณ์ใดก็อารมณ์นั้นก็จะปรากฏใช่ไหมถ้าไม่มนานัสการอารมณ์ใดาอารมณ์นั้นก็ไม่ปรากฏอย่างสมมติว่า เรานั่งอยู่เนี่ยลายเสื้อบางคนมีเอ๊ะถ้าไม่มนัษจการไม่เห็นนะนก็อยู่อย่างนั้นแหละไม่เห็นหรอกกระดุมเสื้อเป็นต้นเนี่ยมนัษจการเอ้เห็นเลยพิสุผู้ถืออามูลกรรมฐานมานั่งแล้วเมื่อวิตกเกิดขึ้นในจิตก็พึงเป็นผู้สรงใจไปในอารมณ์อื่นฉันนั้ น, นกําลังอามูลกรรมฐานคือกรรมฐานเดิมที่ตัวเองถนัดเนี่ยนะ ภิกษุนั้นย่อมละอกุศลวิตตกได้ด้วยอาการอย่างนี้เมื่อเธอประสงค์จะละก็พึงถือเอากรรมฐานแล้วมานั่งลงเถิดว่างั้นถ้าเธอยังละไม่ได้ก็ควรสาธยายพระบาลีธรรมกถาที่เรียนมาด้วยเสียงอันดังสวดดังๆเลยว่างั้นนะจำสูตรไหนได้ก็สวดเลยอิตติปิโสภควาระหังสัมมาเนี่ยดังๆัเลยสักกันได้เพราะว่าพระทั่วไปนี่บวชอย่างน้อยที่สุดอุตติปิโสต้องสวดได้อยู่แล้วนะ ตั้งน้โมก็ได้ตั้งสักสิบยีรอบ 100, รอบ้อยรอบก็ไม่เป็นอนะไรน้โมตัสสะภาคาวะตัวอรหะโ ต, ตสัมมาสัมพุทธะมั่งนนอบนอบ้นอมพระพุทธเจ้าก็ได้นะโอ้ก็แก้ได้นะก็ดีกว่าปล่อยใจให้มันเป็นบาปแต่ว่าส่วนใหญ่มันข้อที่สองก็สอบไม่ผ่านนะก็คือไม่รู้สึกอยอิดอั ด, ร อ, อดรออิรานในบาปอันนั้นเลยนะโอ้ดี ด, ดีคิดอย่างงี้นานๆ น, น, นะอย่างเงี้ยแย่เลยคือปัญหาหลักมันก็คือยินดีในบาปนี่ดิ พอถ้าคิดจะแก้ปัญหาจริงๆมันก็แก้ได้ใช่ไหมเพราะคําสอนที่สอนให้แก้มันมีเยอะแต่ทีนี้เออคิดอย่างนี้เออชอบๆนะคิดคิดอีกหน่อยหนะ้าไม่คิดอย่งางยัหาอะไมันคิดอีกอะ่ะนะก็บอกว่าถ้าละไม่ได้จริงๆก็ให้สวดมางั้นเถอะสวดมนเนี่ยช่วยได้เยอะถ้าเธอใส่ใจไปในอารมณ์อื่นอย่างนี้ยังละไม่ได้ทําไงอะ่ะยังละไม่ได้เลยก็จงหยิบสมุดเปล่าออกมาจากย่ำ เขียนภาลนาความดีของพระพุทธเจ้าข้อใดข้อหนึ่งเหมือนกันนั่งเขียนพุทธคุณอย่างเดียวเลยนะเธอพึงเป็นผู้นําอากุศลวิตกนั้นออกด้วยการส่งใจไปในอารมณ์อื่นอย่างนี้นะนั่งเขียนพุทธคุณหรือท่าของนี้สบายมากเลยนะเอาพระไตรปิฎกไปอ่านดนะิฟุ้งฟาด น, นะอ่านนี่อ่านเรื่องนี้นะแล้วอย่างบางทีเนี่ยเป็นลักษณะนั้นนะถ้าเรากําลังเอ้มันตื้อๆอย่างเงี้ยมันคิดได้ไม่ค่อยเอาชาดกมาอ่านกัน ชาดกกภาเราคิดโอ้สบายใจไปตั้งเยอะนะเสร็จแล้วพร้อมสบายใจจริงๆอยากอ่านอะพี่ทำใช่ก็เอาพี่ทำมาอ่านนะก็ใช้วิธีนี้สลับกันไปสลับกันมาก็ช่วยได้เยอะนะนะถ้าแม้ด้วยอาการอย่างนี้แล้วก็ยังละอากุสลวิตกนั้นไม่ได้โอ้หนักมากนะแสดงวังงานนี่หนักมากศึกในหนักจริงๆก็พึงหยิบไม้สีไฟออกจากย่ามแล้วพิจารณาหรือสงใจไปในอารมณ์อื่นว่านี้ไม้สีไฟ อันบนนี้ไม้สีไฟอันล่างไม้สีสองอันใช่ไหมนี่อันบนนี่อันล่างเหมอนกนเนยก็คือถ้าอย่างนั้นแลว้วก็ยังละอกุศลวิตตกไม่ได้ก็เพิงเอากล่องเหล็กออกมารวมบริขารไว้หรือสงใจไปในอารมณ์อื่นนี่ว่านี้กล่องเข็มนี้มีดเล็กเหมือน น, นั่งรับบริขารนนมีอะไรบ้างมีทรัพย์สินอะไรบ้างนั่งไล่ยหมือนกันคือคือให้มันอย่าให้มโนบางมโนวิญญาณบางอย่างเกิด ถ้าปล่อยให้เอ่ความคิดบางอย่างเกิดเนี่ยเสียหายแน่นถ้ามันคืนคิดต่ออีกห้านาทีเนี่ยนะชีวิตทั้งชีวิตเลยนะะความคิดบางอย่างเนี่ยมันอันตรายจริงๆนะนนเพระองค์จริงว่าโมนโนกรรมเนี่ยมีโทษที่สุดแะในบรรดากรรมทั้งหมดเลยนะแล้วก็มานั่งไล่เลยนี้เครื่องตัดเล็บนี้เข็มเป็นต้นเธอก็จะพึงละอากุศลวิตตกนั้นได้ถ้าอย่างนั้นแล้วก็ยังละอากุศลวิตกนั้นไม่ได้ พึงหยิบเอาเข็มมาเย็บจีวรที่ขาดนะ น, นะปะจีวรก็ได้นะพึงส่งใจไปในอารมณ์อื่นตราบใดที่เธอยังละกุศลมิตกไม่ได้ก็พึงใส่ใจไปในอารมณ์อื่นโดยการทํากุศลกรรมนั้นนั้นเนี่ยนะไปหากิจอย่างใดอย่างหนึ่งในการทํากุศลเนี่ยนะไปปัดกวาดเช็ดถูล่างอะไรได้ก็ล้างไปเลยขยันเลเช็ดปัดกวาดเช็ดถูทําให้หมดเลยนะกิจใดใ ด, ดที่ทําค้างคาไว้สมัยก่อนเอ้ยอ่างว่าไม่มีเวลาก็ไปทําให้มันเสร็จนะ จีวรบาทอะไรที่ยังไม่ระบมก็ไประบมจีวรยังไม่ซักก็ซักยังไม่ได้ยอมก็ยอมนะหนังสือเล่มไหนยังไม่ท่องก็รีบไปท่องในปาติโมกยังไม่ได้ก็ไปท่องนะอย่านั้ช่วงนี้แหละดีแล้วจะได้ไปทําอย่างอื่นได้ก็เมื่อเธอละอกุศลวิตกได้แล้วก็พึงถือเอามูลกรรมฐานมานั่งลงเนี่ยนะโอ้บาบัดได้ไอความคิดอันนั้นเนี่ยนะก็มาเจริญกรรมฐานเดิมนั่นแหละต่อไปไม่พึงเป็นผู้เริ่มนวกรรม อย่าไปก่อสร้างนะกำลังนั้นพอบําบัดอกุศลได้ก็อย่าไปก่อสร้างนะถามว่าเพราะเหตุไรเพราะว่าเธอทําลายอากุศลวิตกอย่างไม่ได้ <c oughs> ก็ไม่มีโอกาสมาณสิการกรรมฐานได้แม้บัณฑิตในการก่อนจะทํานวกรรมก็ต้องทําลายอากุศ ล, ลจิตซะก่อนเห็นมเพราะฉะนั้นบางทีการก่อสร้างนี่ก็ช่วยได้เหมือนกันนะ ในข้อนั้นมีเรื่องเป็นอุทาหรณ์ดังต่อไปนี้ว่าได้ยินว่าอุปชายาของสัมมเนินอาศัยอยู่ในมหาวิหารชื่อวติดสระนะพระอุปชาชื่อติดสะเนี่ยนะสัมมเนิกล่าวกับท่านอุปชายาว่าท่านขอรับกับผมเนี่ยกวนก歪 ว, ว่า ง, งันอยากศึกเต็มทีแล้วว่า ง, งันครั้งนั้นพระเถระก็ได้กล่าวกับสัมมเนินว่าในวิหารนี้หาน้ําอาบได้ยากนะอาจารย์ในฉลาดนะมาได้คุยเรื่องนั้นนะไม่ต่อเลย เธอจงพาเราไปที่จิตตละดาบรรพศเน่ย น, นะไปอยู่เขาโน้นดีกว่าบรนพตกับภูเขาใช่ไหมไป อ, อยู่เขาโน้นก่อนเถอะที่เขานั้นน้ําสะดวกหน่อยสัมมนเนนก็ได้กระทําเหมือนอย่างนั้นพระเถระก็กล่าวกับสัมมนเนนในที่นั้นว่าวิหาร น, นี้เป็นของเฉพาะสงเธอจงทําที่อยู่ใหม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยเฉพาะบุคคลคนหนึ่งโอ้ของสงเนี่ยมันใช้ไม่อิสระหรอกไม่เหมือนของส่วนตัวว่างั้นทําของส่วนตัวสักหลังดิ สัมมนเนนก็รับคำว่าดีแล้วนะสัมมเนนเนี่ยก็เริ่มทำสิ่งทั้งสามพร้อมๆกันเลยคือการเรียนคำพีสั่งยุตนิกายตั้งแต่ต้นสังยุตนิกายนี่ยดีเนเป็นเป็นคำพีที่พูดถึงขันาธาตุอายตนะสัจจะอินซีนะอินรีไม่กล่ปฏิจจะกล่าวแล้วก็เป็น คำพีที่พูดถึงสติประธานสี่สมัมมาประธานสี่ที่บาทสี่อินทรี่ห้าพระหา้ะหาโพธิปทิยธรรมเนี่ยนะในทุกขสัตว์ก็แสดงพิสดารมกสัตว์ก็แสดงพิสดาร น, นั้นสังยุตตนิการเนี่ยแบ่งกลุ่มธรรมะที่น่าสนใจไว้นะขันธวารวักอย่างเงี้ยเรื่องสังยุตต์ท่างๆหลายแหล่เนี่ยเป็นคัมภีร์ที่น่าสนใจมากนะปังก็เรียนคัมภีร์สังยุตตนิการไปด้วยการชำระพื้นที่เงื่อนเขา และการบริกรรมเตโชกสินสามอย่างพร้อมกันเลยนะแล้วก็ยังกรรมฐานให้ถึงอัปปนาโอ้เก่งมากเห็นไหมคำพีสังยุตติว่าว่าปริยัติปริโพโธดไม่ปริโพโธนะหนังสือก็ท่องด้วยเห็นไหแล้วก็ก่อสร้างด้วยทําเตโชกสินด้วยนะเจริญกสินฝ่ายเหมือนกันแล้วก็ทําอัปปนาให้เกิดก็คือได้ฌานนั่นเองการ ย, ยังการเรียนสังยุตตานิกายให้จบลงแล้วก็เริ่มนวกรรมในธรรม ก็คือทําสร้างถ้ำอ่ะนะอาจจะเป็นพวกสกัดหินมาตีหินเนี่ยทำเป็นที่อยู่อะ่ะเธอได้ทํากิจนวก ร, รรมทั้งปวงสําเร็จแล้วจึงได้แจ้งให้อุปชัยยะทราบลืมเรื่องฝึกไปเลยนะโมตะกอฟังวางั้นพระอุปชัยยะกล่าวว่าสัมเนธที่อยู่เฉพาะบุคคลคนหนึ่งเธอทําสําเร็จในวันนี้ได้โดยลําบากเธอนั่นแหละจงอยู่ว่า ง, งาั้นอ่ะเธอนั่นแหะอยู่ไปสมมเนธนั้นเมื่ออยู่ในถ้ำตลอดราตรีได้อุตุสปายะความเย็นนีนเกลือกูลนื ก็อลองดูเนี่ยอากาศ40องศากับ25องศาเนี่ยไหนจะนั่งสบายใจกว่านะ45เนี่ยก็ไดนะ้อุตุนั้นมีความสำคัญมากนะจึงยังวิปั ส, สนาให้เจริญแล้วบรรลุเป็นพระอรหันต์เสร็จแล้วก็ปรินิพานในถ้านั้นนั่นแหละก็คือใช้ชีวิตอยู่ในนั้นจนปรินิพานอย่างั้น เพราะฉะนั้นชนทั้งหลายถือเอาธาตุของสั ม, มนณ เ, เหล่านั้นก่อสร้างเจดีไว้เจดี JD ของรอพระติสสะเทระได้ปรากฏมาจนถึงทุกวันนี้แหละนะในสมัยเมื่อพศประมาณก่อน900เนี่ยมีเจดีของพระิสสะอยู่เนี่ยนะเพราะฉะนั้นอสติบับพะเนี่ยนะข้อกำหนดด้วยการว่าด้วยการไม่ระลึกถึงว่า ง, งั้นเถอะเปลี่ยนอารมณ์อะอันนี้ก็ช่วยได้เยอะนะก็คือไปหาหายางอื่นทำ เชิญพรเปลี่ย น, ย น, า น, ยนอารมเปลี่ยนยังไงเบาอะไรอบอกวิธีเปลี่ย น, น, น, น, นอ่ะนะก็แปลว่าอารมณ์มีกคนมาอารมณะปัจจัยเนี่นะเป็นปัจจัยที่สองที่มีความสําคัญนะเหตุปัจโยนี่สำคัญที่สุดอันดับห น, นคือความคิดทุกๆความคิดเนี่ยนะถ้าได้เหตุปัจจัยมันก็เหมือนกับมีรากเนะหมเหตุปัจจัยเนี่ยถ้าได้อารมณะปัจจัยก็จะตั้งมั่นนาน ทีนี้แสดงอารัมมณปัจจัยอนันต์เนี่ยนะเป็นอารัมมาทิปติจิตก็เป็นสหชาธาธิปติไปกันใหญ่เนี่ยทิปติปัจจัยเลยนี่วิธีจิตเกิดแล้วเกิดเล่าอนันตระปัจจัยสมนันตระปัจจัยเนี่ยเกิดขึ้นมากขึ้นก็แสดงออกมาทางกายกรรมวจีกรรมเป็นสหชาตาปัจจัยแล้วนี้เห็นไหมอัญญมัญญะปัจจัยสัมปยุทธวิปยุทธก็เริ่มก็คือมานั่งได้อยู่อย่างนี้แหละ เหตุปัจจัยเป็นหลักเลยนะจริงๆอคุณสนวิตตกก็คือเหตุปัจจัยนั่นแหละเกิดขึ้นโลภะเกิดก็เหตุปัจจัยใช่ไหมโทสะ ก, ก็เหตุปัจจัยโมหะ ก, ก็เหตุปัจจัยนั่นแหละเราต้รวมเต็มนนเลยชีวิตเรานี่นะมันจะจิตของเราจเป็นไปตามอำนาจของอารมณ์อย่างเดียวเลยถ้า <laughs> ตรงนี้เป็นมั น, งงนจริงๆเลย <laughs> สังวรนนะ่นะที่เรียกว่ามีวิในเนี่ยนะชั้นต้นเลยเนี่ยวิธีแก้ปัญหาก็คือ หเป็นผู้ฟังไงแก้ปัญหาด้วยสุตตวาเป็นผู้ฟังก่อนว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยนะฟังให้เข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรก่อน2พบพระอริยะก็คือพบอริยธรรมของท่านนะฉลาดในธรรมะของท่านแล้วก็มีวินัยของท่านนะวิธีแก้ปัญหาชีวิตเรามีสี่คำนี้เท่า น, นั้นเองนะความเป็นปุตุชนก็อยู่ตรงสี่คำเองเหมือนกันนะไม่ได้ฟังไม่ได้เห็นไม่ฉลาดไม่มีวินัยของพระอริยะนั่นคือปุตตุชนสมบูรณ์แบบเลย นะถ้าจะเป็นอริยชนก็คือฟังละพบภริยะฉลาดในธรรมะของภริยะมีวิใยของภริยาเนี่ยนะชั้นต้นเลยฟังแต่ละอย่างแต่ละอย่างให้มีความเข้าใจในเรื่องนั้นนั้นให้เพียงพอนะหมุนในเรื่องนั้นให้เข้าใจให้ละเอียดจริงๆเสร็จแล้วต่อไปก็สังวรเ น, นี่ยนะเพราะน์ปัญญาที่ทรงจำธรรมที่ได้ฟังมาแล้วชื่อว่าสุตมยญาณปัญญา ที่เกิดขึ้นสังวรนะสังวรตามที่ได้ฟังมาแล้วชื่อว่าสีละมัยญาณนั้นท่านจึงเรียงศีลต่อจากการการฟังเนี่ยนะนั้นความสังวรเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสําคัญมากนั้นจะต้องศึกษาสังวรทั้ง5้าไม่ไม่ใช่ว่าจะแก้ปัญหาด้วยสังวรอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนะนะตั้งแต่สีลสังวรสติสังวรญาณสังวรวิริยะสังวรขันติสังวรเนี่ยนะนั้นสังวรเนี่ยจะต้องเข้ามาช่วยในการที่จะแก้ปัญหาในแต่ละอารมณ์ แต่ต้นก็หลักคร่าวๆแต่ว่าวิธีในชั้นรายละเอียดอีกจริงๆนะพะสูตรแก้ให้หมดเลยนะถ้าถ้ามีศรัทธาค่อยๆศึกษาไปนะถ้าเราลองมีความคิดอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่แล้วอ่านพระไตรปิฎกไปเรื่อยๆเร่อยๆเดี๋ยวจะจ ะ, จะเจอละอ๋อแก้อย่างนี้นี่เองไงจะค่อยๆไปอย่างนั้นแหละทีนี้วิธีที่สนะี่เนาะดูก่อนพิสูน์ทั้งหลายหากว่าเมื่อพิสูนนั้น ถึงความไม่นึกถึงไม่ใส่ใจในวิตกเหล่านั้นอยู่วิตกอันเป็นบาปอากุศลประกอบด้วยฉันทะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างยังเกิดขึ้นเรื่อยๆให้ไม่มีว่าให้คือเขามีแอร์คอปฏิบัติบางอย่างเข บ, บอกว่าดูมันเฉยๆก็วากันฮบอกไม่มีวิเทียนนี่มีในพระไตรปิฎกแล้วนะบอกว่าขนาดใช้วิธีมาทั้งสามวิธีแล้วนะมันยังเกิดขึ้นอีกอะ ดูก่อนพิสูจทั้งหลายพิสูจนนั้นควรมนสิการสันฐานแห่งวิตกสังขารของวิตกเหล่านั้นนะเมื่อเธอมนสิการสันฐานแห่งวิตกสังขารของวิตกเหล่านั้นอยู่วิตกอันเป็นบาปอากุศลประกอบด้วยฉันทะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างอันเธอย่อมละเสียได้ย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละวิตกอันเป็นบาปอากุศลเหล่านั้นได้จิตย่อมตั้งอยู่ด้วยดีสงบ เป็นธรรมะเอกผุดขึ้นตั้งมั่นในภายในนั่นแลดูก่อนพิสูนทั้งหลายเหมือนบรุษเพิ่งเดินเร็วเขาพึงมีความคิดอย่างนี้ว่าเราจะเดินเร็วไปทำไมถ้ากระไรเราพึงค่อยๆเดินเขาก็พึงค่อยๆเดินเขาพึงมีความคิดอย่างนี้ว่าเราค่อยๆเดินไปทำไมหนอถ้ากระไรเราควรยืนเขาพึงยืนเขาพึงมีความคิดอย่างนี้อีกว่าเราจะยืนทาไมถ้ากระไรเราควร น, นั่งเขาพึงนั่ง เขาพึงมีความคิดอย่างนี้ว่าเราจะนั่งไปทําไมหนอถ้ากะไราเราควรนอนเขาพึงลงนอนดูก่อนพิสูจนทั้งหลายก็บุรุษคนนั้นมาผ่อนทิ้งอิริยาบถหยาบๆเสียเพึงสําเร็จอิริยาบถละเอียดละเอียดแม้ฉันใดดูก่อนพิสูจนทั้งหลายพิสูจก็ฉันนั้นหากว่าเมื่อเธอมาณสิการสันฐานแห่งวิตกสังขารของวิตกเหล่านั้นอยู่วิตกอันเป็นบาปอากุศลประกอบด้วยฉันทะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้าง น, นก็ย่อมละเสียได้ย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละวิตกันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นได้จิตย่อมตั้งอยู่ด้วยดีสงบเป็นธรรมะเอกผุดขึ้นตั้งมั่นในภายในนั่นแล่ น, นัก็คือมนสิการสันฐานแห่งวิตกนั่นเองในข้อสี่นี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะทรงแสดงการทำลายมูลรากของอากุศลวิตกว่าเมื่อพิสุตั้งอยู่ในข้อนี้คืออสติบ พ, พะคือไม่ใส่ใจเนี่ยนะแล้วยังไม่อาจจะข่มอากุศลวิตกได้ก็ต้องตั้งอยู่ในข้อที่ทำลายมูลรากของอากุศลวิตกนี้ดังนี้แล้วก็ตัดคำว่าตัดสะเจพิฆเวเป็นต้นแปลว่าดูกรพิสุทั้งหลายหากว่าเมื่อพิษุนั้นถึงความไม่นึก ไม่ใส่ใจวิตกเหล่านั้นอยู่เป็นต้นเนี่ยนะในข้อนี้พึงซ่าวิเคราะห์คําว่าสังขารในคำว่าพึงมนัิการสังขานสังขารของตนนั้นว่าสภาวะใด ย, ย่อมปรุงแต่งเหตุนั้นสภาวะนั้นชื่อว่าสังขารอธิบายว่าปัจจัยเนี่ย น, นะตัวปัจจัยเนี่ยนะเป็นปัจจัยเป็นกัณะเป็นมูลนะสังขารก็คือปัจจัยกัณะแปลว่าเหตุมูลก็คือเป็นราก เชื่อว่าสันฐานเพราะอัธวิเคราะห์ว่าที่ตั้งอยู่ดีนะปัจจัยอะไรอะที่ทําให้วิตกนั้นมันตั้งอยู่อ่ะนั่นเองสันฐานของวิตกสังขารแบบนั้นก็คือที่ตั้งนะปัจจัยอะไรที่เป็นที่ตั้งของความคิดอันนั้นนะ่ะนะแต่พูดแบบสำนวนเราก็คือเหตุอะไรทําให้คําคิดเนะี่ยทำไมต้องคิดอบบนั้นเหตุไหนคือเป็นเหตุสําคัญของความคิดอันนั้น ภิกษุพึงมนสิการสันฐานอันนั้นตรงนี้ก็เหมือนตามตามสติปัฏฐานเลยนะชัดเลยนะสติปัฏฐานว่างไงนะสมมุติว่ายกตัวอย่างถีนมิทธานะเมื่อถีนมิธามีอยู่ณาภายในจิตก็รู้ชัดว่าถีนมิธามีอยู่ณภายในจิตใช่ไหมเมื่อถีนมิทธาไม่มีอยู่ณภายในจิตก็รู้ชัดว่าถีนมิธาไม่มีอยู่ณภายในจิตถีนมิทธาที่ยังไม่เกิดจะเกิดด้วยประการใดก็รู้ชัดประการนั้นด้วย อันท er ีหนมิท่าที่เกิดขึ้นแล้วจะละเสียได้ด้วยประการใดก็รู้ชัดประการนั้นด้วยทีหน้ามิท่าที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปด้วยประการใดก็รู้ชัดประการนั้นด้วยเห็นไหมตรงนี้ก็เหมือนกันว่าเอ๊ะเหตุอะไรอะที่ทําให้ความคิดนี้เกิดขึ้นจะขาปัจจัยแล้วอ่าพี่สุก็พึงมนสิการสันฐานอันนั้นปัจจัยหรือปัจจัยในที่นี้หมายถึงอะไรอุปนิสัยปัจจัยของความคิดอันนั้นนะไม่ใช่เหตุปัจจัยนะ ไม่ใช่กลุ่มสหชาตชาติชาติแต่ไปมองปะตูประตูนิสัยชาติของความคิดที่เป็นอกุสลเนี่ยเกิดจากอะไรกันแน่คำนี้นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอธิบายไว้ว่าพิกสุพึงมณสิการถึงเหตุและมิใช่เหตุของวิตกทั้งหลายว่าวิตกเหล่านี้มีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นปัจจัยเพราะเหตุไรจึงเกิดขึ้นดังนี้บทว่ากิงนุโขอหังสีขังคชามิความว่าบุรุษผู้เดินเร็ นั้นย่อมคิดว่าประโยชน์อะไรด้วยการเดินเร็วของเรานี้เราจะค่อยๆไปดังนี้บทว่าโสสนิกังคัจฉยะคือว่าครั้นเขาคิดอย่างนั้นแล้วจึงค่อยๆเดินในคําทั้งปวงก่อนยนี้นี้บัณฑิตพึงทราบความในข้อนั้นว่าเวลาเกิดขึ้นแห่งวิตกของภิกษุนี้เปรียบเหมือนการเดินเร็วของบุรุษอกุศนเกิดขึ้นนะ นั่งเจริญกรรมฐานอยู่ดีๆอกุศลมันแว บ, บเข้ามาได้มันไม่ใช่แวบเดียวสิมันแว บ, บแล้วมันอยู่มันเกิดไอแวบเนี่ยมาง่ายใช่ไหมแต่ออกยากเนี่แย่เลยกันนี้ฉะนั้นเวลาการกําหนดเที่ยวไปแห่งวิตกเนีย่ยนะเริ่มมณสิการกําหนดนี้อกุศล น, นะของพิสูจนนี้ก็เปรียบเหมือนการค่อยๆเดินไปในที่นั้นการที่พิสูจน์นี้กําหนดการเที่ยวไปของวิตกได้แล้วนําวิตกมาสู่มูลกรรมฐาน เปรียบเหมือนการตรึกของบุรุษนั้นการที่ภิกษุนี้ยังวิปัสสนาให้เจริญแล้วบรรลุเป็นพระรหัสเปรียบเหมือนการที่บุรุษนั้นนั่งลงแล้วการที่ภิกษุนี้ให้เวลาผ่านไปตลอดวันด้วยพระสมาบัติซึ่งมีพระนิพพานเป็นอารมณ์เปรียบเหมือนการที่บุรุษนั้นนอนแล้วโอเนี่ยนิพพานเลยนะในข้อว่าวิตกเหล่านี้มีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นปัจจัยความว่าการเที่ยวไปของวิตก ย่อมเป็นของเบาบางแล้วแก่พูดถึงเหตุและไม่ใช่เหตุของวิตกทั้งหลายเมื่อวิตกนั้นเป็นของเบาบางถึงที่สุดแล้วก็ย่อมดับไปโดยประการทั้งปวงคือความคิดบางอย่างเนี่ยนะแค่จับต้นตอถูกเนี่ยนะหายนะสมมติว่าไมเราจึงต้องเอาเรื่องนี้มาคิดนะอยู่ๆทาไมเราต้องคิดเรื่องนี้เลยเสร็จแล้วนะถ้าเราพิจารณาถึงมูลเหตุของไอความคิดอ น, นันต์ได้นะและจะเลิกคิดได้เหมือนกันอ๋อเพราะอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้น สมมติว่าเราคิดถึงอาหารบางอย่างเอาาะแสดงว่าเราเคยชอบอาหารชนิดนั้นไว้มากจึงมาคิดแต่เรื่องอาหารแบบนี้เพราะนั้นอ๋อแล้วอาหารนี่เราชอบมาตั้งแต่เมื่อไหร่อย่างเงี้ยเรก็ไล่ไล่ไล่ไ่ อ, อ๋อเกิดจากความชอบเมื่อสมัยนั้นสมัยนั้นตอนนั้นเราชอบอย่างนั้นอย่างนั้นเสร็จแล้วมันก็จะเลิกชอบอาหารนั้นนีเองเพราะมันรู้ปัจจัยของของความชอบอันนั้นและอารมณ์อื่นๆก็จะลักษณะนั้นเนี่ยนะพยายามนึกเลยนะ หนึ่งความคิดที่แวบขึ้นมาทำไมเราต้องคิดอย่างนี้อาศัยเหตุอะไรบ้างที่ที่เป็นปัจจัยให้เราคิดแบบนี้ทีจริงล้วทุกคนจะรู้เลยว่าทำไมต้องคิดในเรื่องนั้นด้วยนะก็พยายามหาปัจจัยของความคิดนั้นๆเขาบอกว่าบัณฑิตพึงแสดงความข้อนี้ด้วยคุถุพะชาดกคือเรื่องกระต่ายตื่นตูมเขาวางเงนไอการที่พยายามรู้ให้หาต้นตอเ น, นี่ยนะเหมือน e เรื่องกระต่ายตื่นตูมเขาว่า ได้ยินว่ากระต่ายตัวหนึ่งนอนหลับอยู่ที่ใกล้ต้นมะตูมลูกมะตูมสุกหลุดจากขั้วหล่นลงมาใกล้หูของกระต่ายกระต่ายนั้นก็พลุดลุกขึ้นนี้ไปโดยเร็วสําคัญว่าแผ่นดินถล่มเหมือนกันเพราะเสียงดังของลูกมะตูมนั้นสัตว์จตุบ ท, บทสี่เท้าทั้งหลายจตุบทวีบัดเหมือนกันสัตว์สี่เท้าสัตว์สองเท้านี่นะแม้อื่นๆข้างหน้าเห็นกระต่ายวิ่งมาโดยเร็วก็พากันวิ่งไปด้วยตื่นกันไปหมดเลย ครั้งนั้นพระโพธิสัตว์ของเราก็เกิดเป็นราชาสีราชาสีนั้นก็คิดว่าธรรมดาแผ่นดินนี้จะถล่มพินาศก็เพราะกับพินาศเชื่อว่าการที่แผ่นดินนี้จะแตกทําลายไปในระหว่างมิได้มีเราจะต้องไปสืบดูต้นเหตุให้ได้ดังนี้ราชาสีจึงถามสัตว์ทั้งหลายตั้งแต่ช้างเป็นต้นไปจนถึงกระต่ายตัวนั้นถามทําไมต้องวิ่งนะนะไล่ไล่ถามไปจนถึงกระต่ายต้นต่อว่างั้นแล้วก็บอกว่าเจ้าเห็นแผ่นดินถล่มหรือ ก็ถามเห็นใช่ไหมกระต่ายก็บอกว่าข้าแต่นายผู้เป็นใหญ่ข้าพเจ้าเห็นเหมงอนกันราษฎร์ีจึงกล่าวว่าเจ้าจงพาเราไปดูกระต่ายกล่าวว่าข้าพเจ้าไม่อาจราชสรศรีก็ตวาดว่าเฮ้ยเจ้ากระต่ายจงพาเราไปเจ้าอยากลัวเหมั้นน่ะราชสรศรีคำรามทีหนึ่งเนี่ยก็ต้องพาแล้วนะแล้วก็ปลอบใจกระต่ายด้วยคําสุภาพเรียบร้อยก็พากระต่ายไปกระต่ายยืนอยู่ในที่ไม่ไกลต้นมะตูมแล้วก็ได้กล่าวว่า ข้าแต่ท่านพู้สง่างามข้าพเจ้าอยู่ในที่นั้นได้ยินเสียงถลม่มข้าพเจ้าไม่รู้จักสิ่งนั้นว่าเป็นเสียงอะไรเพราะนั้นพระภูธิศัตว์ก็กล่าวกับกระต่ายว่าเจ้าจงยืนอยู่ในที่นี้แหละแล้วก็ไปที่โคนต้นมะตูมได้เห็นที่เป็นที่นอนของกระต่ายและได้เห็นลูกมะตูมสุกแลดูข้างบนก็เห็นขั้วของมะตูมคั้นเห็นแล้วก็รู้ว่ากระต่ายตัวนี้นอนในที่นี้กําลังหลับเมื่อลูกมะตูมนี้หล่นลงมาใกล้หูจึงมีความสําคัญว่า เสียงแผ่นดินถลม่มจึงรีบหนีไปโดยเร็วดังนี้แล้วก็ถามถึงเหตุนั้นกระต่ายรับคำว่าถูกแล้วละท่านผู้เป็นนายว่างั้นพระโพธิสัตว์ก็ได้กล่าวเป็นคาถาว่านะแปลว่ากระต่ายฟังเสียงลูกมะตูมหล่นลงสำคัญว่าเสียงแผ่นดินถลม่มจึงวิ่งไปโดยเร็วพวกมรึกทั้งหลายปานกองทัพเป็นผู้เร่าร้อนแล้วเพราะฟังถ้อยคาของกระตา่ายว่ั้น ตื่นจะตัวเดียวแล้วพาตื่นทั้งป่าเลยวราะงั้นลำดับนั้นพระโพธิสัตว์จึงปลอบใจพวกเนื้อทั้งหลายว่าพวกท่านอย่ากลัวเลยดังนี้เมื่อพิกสุค้นหาต้นเหตุของอิ อ, อกุศลวิตกทั้งหลายด้วยอาการอย่างนี้ก็ย่อมจะละได้ น, น, นะนะก็ไปหาเหตุซะทำไมจะต้องมาคิดอย่างนี้ด้วยเพราะงั้นสาวหาต้นเหตุอันนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะแสดงกุรณะคือเหตุแม้อย่างนี้ อันภิกษุดำรงอยู่ในข้อทําลายมูลเหตุของอกุศนวิตกแล้วก็ยังไม่อาจเพื่อจะข่มอกุศนวิตกนั้นได้ก็เพืงข่มอย่างนี้เห็นนะก็คือมนสิการสันฐานหรือปัจจัยของอกุศลวิตกนั้นนั่นแหละซึ่งที่กล่าวอย่างนี้เนี่ยว่าปัจจัยของอกุศนวิตกแต่ละอย่างไม่กล่าวตรงนี้เพราะว่าในสติปัฏฐานท่านกล่าวไว้แล้วพะะนันตรงนี้ก็เอาไว้ก่อนยังไง ว่าเหตุอะไรบ้างให้เกิดโลภะเหตุอะไรให้เกิดโทสะเหตุอะไรให้เกิดโมหะกล่าวเฉพาะวิธีกาจัดนั่นเองทีนี้ในาย่าที่ห้าเลยเนาะดูความพิสูน์ทั้งหลายหากว่าเมื่อพิสูนนั้นมนสิการถึงสันฐานแห่งวิตกสังขารของวิตกแมเหล่านั้นอยู่วิตกอันเป็นบาปอากุศลประกอบด้วยฉันทะาบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างยังเกิดขึ้นเรื่อย แสดงว่าพระ อ, องค์รู้อุปนิสัยของอกุศลเป็นอย่างดีเลยนะบอกเหมือนกับวิธีทดน้ําเนี่ยนะทดนมาเรื่อยๆก็ยังเชี่ยวอยู่นั่นแหละนะก็มีวิธีที่ห้าว่างานพะิกษุนั้นก็พึงกัดฟันด้วยฟันกัดฟันกรอดเลยงั้นนีดุลเพดานด้วยลิ้นขม่มบีบคั้นบังคับจิต ด, ด้วยจิตเมื่อเธอกัดฟันด้วยฟันดุนเพดานด้วยลิ้นขม่มบีบคั้นบังคับจิต ด, ด้วยจิตอยู่ วิตกอันเป็นอกุศลประกอบด้วยฉันท่าบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างอันเธอย่อมละเสียได้ย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละวิตกอันเป็นบาปอากุศลเหล่านั้นจิตย่อมตั้งอยู่ด้วยดีสงบเป็นธรรมเอกผุดขึ้นตั้งมั่นในภายในนั้นแหลน ะ, นะคือคือสมัยนั้นเนี่ยนะกล่าวถึงสมัยที่ป่ามันเยอะนะพระพิสุส่วนใหญ่ก็จะไปอยู่ในป่าเมื่ออยู่ในป่านั้นถ้าไม่มีวิธีการจัดการกับบาปอากุศลและรมเหล่านี้จะทํำยังไง ใช่ไหมเข้าบ้านเดเข้าบ้านเช้ากลับสายก็ตําหนิอีกนะนะนะเข้าบ้านมากคลุกคลีกับคารวาสมากก็ถูกพระองค์ตําหนินะถึงตําหนิมากเพราะฉะนั้นจะทํำยังไงไปอยู่ในป่าก็อกุศลจิตมันเกิดยังไงพราฉะนั้นจะต้องหาวิธีในการที่จะกําจัดอากุศลเหล่านั้นออกไปแต่ว่าคนที่จะตั้งใจที่จะแก้ปัญหาในด้านอากุศลจิตเหล่านี้คนเหล่านั้นแสดงว่ามีศรัทธาเต็มที่เลยนะ มีศรัทธาในพระตนะไตรค่อนข้างมากแล้วก็กลุ่มที่ปฏิบัติลักษณะนี้เขาเรียกว่าพวกทุกขาปฏิปทาพวกนี้ปฏิบัติลําบากเนี่ยพวกนี้ปฏิบัติทำทั้งน้ําตาทั้งนั้นนหะเนี่ยนะทุกจริงๆนะนะอกุศนมันเกิดทีหนึ่งเนี่ยนะเหตุปัจจัยให้อกุศนลจิตเกิดเนี่ยน้ําตาก็ไหลอยู่ในปา น, นั่นแหละถ้าหากว่าบีบบังคับอย่างนี้แล้วก็ วิตกอันเป็นอกุศลประกอบด้วยชั้นทะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างอันเธอย่อมละเสียได้ย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละวิตกอันเป็นบาปอากุศลเหล่านั้นจิตย่อมตั้งอยู่ด้วยดีสงบเป็นธรรมะเอกผุดขึ้นตั้งมั่นในภายในนั่นแหละดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษผู้มีกําลังมากจับบุรุษผู้มีกําลังน้อยกว่าไว้ได้แล้วบีบกดเข็นที่ศีรษะคอหรือกา้านคอไวใ้ให้แน่นแม้ฉันใด พิสูจก็ฉะนั้นหากเมื่อเธอมนัสิการถึงสันฐานแห่งวิตตกสังขารของวิตกเหล่านั้นอยู่วิตกอันเป็นบาปอักุสลประกอบด้วยฉันทะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างยังเกิดขึ้นเรื่อยๆพิสูนนั้นพึงกัดฟันด้วยฟันดุลเพดานด้วยลิ้น่มบีบคั้นบังคับจิตไว้ด้วยจิตเมื่อเธอกัดฟันด้วยฟันดุนเพดานด้วยลิ้นคม บีบคั้นบังคับจิตด้วยจิตอยู่ได้วิตกอันเป็นบาปอากุศลประกอบด้วยฉันทะาบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างอันเธอย่อมละเสียได้ย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละวิตกอันเป็นบาปอากุศลเหล่านั้นได้จิตย่อมตั้งอยู่ด้วยดีสงบเป็นธรรมะเอกผุดขึ้นได้ฌานเลย น, ะนี่นนยนะจนพอถ้าเอาแบบสูงสุดก็ทุติยฌ า, านเน่นะแต่ว่าตั้งแต่ว่าสงบ ตั้งมั่นพวกนี้เป็นชื่อเลือกตั้งแต่ฌานเป็นต้นไปนั่นแหละตั้งมั่นในภายในนั่นแหละดูกันพิสุทั้งหลายเมื่อพิสุ เ, เดี๋ยวอธิบายตักฐานนิดหนึ่งก่อนในข้อห้ากล่าวว่ า, าทันเตพิทันตะมาทายะนะทันตะนะัเพ่งกดฟันบนลงที่ฟันข้างล่างนะเรบอกวิธีกดฟันหนึ่ง เจตาาจิตตังคือป้องกันอกุศลจิตด้วยกุศลจิตคำว่างั้นที่ว่าบังคับจิตด้วยจิตเนี่ยนะก็คืออกุศมนี่แหละมาบีบเข้าแกมีโทษนะแกไม่ไดีอ่ะผลาวาปุริโซเป็นต้นความว่าเปรียบเหมือนบุรุษผู้สมบูรณ์ด้วยเรี่ยวแรงมีกําลังมากจับบุรุษผู้มีกําลังน้อยกว่าแล้วบีบกดเข็นที่ศีรษะหรือที่ก้านคอไว้แน่นเพ่งกระทําบุรุษนั้นให้เล่าร้อนให้ลําบากให้สยบ มีความตายเป็นที่สุดชั้นใดภิกษุก็ชั้นนั้นนั่นแหละพึงเป็นนักมวยปล้ำซึ่งเป็นคู่ต่อสู้กับอากุศลวิตกทั้งหลายว่าพวกเจ้าเป็นอะไรเราเป็นอะไรเช่นกนนะเจ้าเป็นสายพญามารเราเป็นสายพระพุทธเจ้ายัางไง น, นแล้วก็ครอบงำประคองความเพียรใหญ่อย่างนี้ว่าตั้งความเพียรเลยนะว่ากามังตะโจนะหาโรจะอัติจะ อ, จอวสต อาวสุดสตุว่งงางั้นอาวสิสตุเมสรีเรสัพพันตังมังสะโลหิตังแปลว่าเนื้อและเลือดทั้งหมดในร่างกายของเรานี้จะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามทีว่งงางั้นทําไม่ได้บรรลุอิทธิผลที่ตั้งไว้แล้วก็ไม่ลุกว่งงางั้นเป็นต้นนั้นแหะเธอก็พึงข่มอกุศลวิตกทั้งหลายได้เมื่อจะแสดงอย่างนี้จึงตรัสคําอุปมา อันแสดงอัฏฐานี้ว่าตะโยจัโคภิกเขเวเป็นต้นแปลว่าดูกรพิสูจน์ทั้งหลายภิกษุอาศัยนิมิตใ ด, ดแล้วมนสิการนิมิตใ ด, ดอยู่เป็นต้นนะก็คือสรุปอีกครั้งหนึ่งว่าดูกรพิสูจน์ทั้งหลายเมื่อพิสษุอาศัยนิมิตใ ด, ดแล้วมนัสิการนิมิตใ ด, ดอยู่วิตกอันเป็นบาปอากุศลประกอบด้วยฉันทะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างย่อมเกิดขึ้นเมื่อเธอมนัสิการนิมิตอื่นจากนิมิตนั้นอันประกอบด้วยกุศลลวิตก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 วิตกอันเป็นบาปอกุศลประกอบด้วยฉันทะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างอันเธอย่อมละเสียได้ย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละวิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นได้จิตย่อมตั้งอยู่ด้วยดีสงบเป็นธรรมะเอกผุดขึ้นตั้งมั่นในภายในนั้นแลเมื่อพิสูจนนั้นไม่นึกถึงไม่ใส่ใจวิตกเหล่านั้นอยู่วิตกอันเป็นบาปอกุศลประกอบด้วยฉันทะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้าง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 เป็นธรรมะเอกผุดขึ้นตั้งมั่นในภายในนั้นแลดูการพิสูุน์ทั้งหลายพิกษุนี้เรากล่าวว่าเป็นผู้ชำนาญในทางเดินของวิตกเหมือนกันเป็นผู้ที่รู้เรื่องวิตกดีที่สุดเลยเหมือนกันนะรู้เรื่องความคิดเป็นอย่างดีเลยนะเธอจักจำนงวิตกใดก็จักตรึกวิตกนั้นได้เลือกคิดได้แล้วโลกนี้ไม่มีอะไรที่คิดไม่ได้เหมือนกันอยากคิดเรื่องอะไรก็คิดเรื่องนั้นได้แล้ว จักไม่จำ侬วิตกใดก็จักไม่ตรึกวิตกนั้นได้ไม่อยากคิดอะไรก็ไม่คิดตัดตันหาได้แล้วคลี่คลายสังโยชน์ได้แล้วสังโยชน์เครื่องผูกรู้ไหมคลายหมดแล้วตัดเรียบร้อยทําที่สุดแห่งทุกได้แล้วเพราะตรัสรู้โดยชอบพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้แล้วพิสูจนเหล่านั้นมีใจชื่นชมยินดีภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วแหละเนะ การแก้ปัญหาในเรื่องบาปอากุศลเนี่ยมีหลายนัยยะด้วยกันนะเนาะเจ้นใช่พูดถึงว่าเรื่องวิตตกเนี่ยเราเราจัดการกับเขาได้มันมันเป็นประโยคะที่สำคัญมากๆเลย ถ้าเราจัดการไม่ได้มันก็เป็นประโยค้าวพิบัตินะครับรที่มันเป็นเรื่องของประโยคะที่เป็นเรื่องที่จะต้องต้องจัดการกับมันนะเพราะมันจริงๆแล้วก็เป็นอนัตตาก็จริงอแต่ว่าเป็นอนัตตาที่จะต้องละแล้วอนัตตาบางอย่างควรเจริญนกกุก็ตรงอยู่แล้วใช่เพราะะอนัตตาที่<ม>เป็นอกุสนี่มีโทษนะให้ผล<ม>เป็น<ม>เป็นความทุกข<ม>์ไฟไม่บ้านในอนัตตาไหม <tyard. S 2> อนัตานัะนต่ถ้าปล่อยให้ไม่อนาเนี่ยข่าวของเสียหายนะเพราะฉะนั้นอนาตานี่ก็ต้องรู้กิจของเขาอ่ะนะทุกษัตริย์เป็นอนาตตาแต่ปริญญาสามนะกิจของเขาสมุทัยสัตว์ก็เป็นอนาตตาแต่ปัญญาควรละนิโรธสัตว์ก็เป็นอนาตตาแต่ควรทําให้แจ้งอริยมรรคก็เป็นอนาตานะแต่ควรเจริญะนะควรเจริญควรทําต่างกันไหมครับ ไม่ได้ต่างกันเลยครพาเวปต่ปะทำนะทําให้มีขึ้นนั่นเองทำให้มีขึ้นอ่ะจะท้มากขึ้นมันก็ไม่เด็กต่างกันแต่คําว่าธทำเนี่ยนะก็สัมปชาญการีไงการีนี่แปลว่าทํำนะสัมปชาญญการีเนี่ยแปลว่าผู้ทําโดยปกติว่างั้นผู้ทําสัมปชัญญะโดยปกตินะถ้าแปลตามศัพท์นะต้องทําเป็นอัธยาศัยเป็นปกติเอาเป็นการเป็นงานว่างั้นเถะ ใช่ไหมจริงเรียกอย่างธรรมวาทีผู้ใดกล่าวทำเป็นปกติผู้นั้นชื่อว่าธรรมวาทีอย่างไงอันนี้พิสูุก็เหมือนการพิสูจใดที่ทําสัมปชัญญสีโดยปกติเรียกว่าสัมปชาันาการีทำเป็นทำไม่ทํานี่ยเสียหายแล้วนะคือถ้าหากว่าเราเห็นโทษของวตะเท่าไหร่เห็นโทษของทุกข์สัตว์มากแล้วก็เห็นภัยของปัจจัยคือสมุทัยศัตว์แล้วก็ยินดีในที่สุดแห่งวัตถุทุกเนี่ยนะ เราก็ต้องหาอุบายวิธีในการจัดการกับบาปอากุศลนะะแล้วก็วิธีการจัดการกับบาปอากุศลเนี่ยนะวินัยปิดกนี้มุ่งแก้ปัญหากิเลสประเภทวีติกมะการจัดการในการละวีติกมะกิเลสเนี่ยคิดดูนะวินัยปิดกโดยธรรมขันเท่าไหร่สองหมื่นหนึ่งพันพระธรรมขันเพื่อจัดการกับวีติกมะกิเลส ที่มันไอที่หยา บ, ยบมากใช่ไหมครับจนพอที่หยาบหยาบทั้งนั้นเลยส่วนพระสุตันติปิฎกเนี่ยนะก็มุ่งกําจัดปริยุทธามกิเลสคือกิเลสที่มันกลุ่มรมในจิตเนี่ยนะส่วนพระพิธรรมปิฎกนั้นแก้ปัญหาอนุสัยกิเลสคือกิเลสที่มีกําลังนะกิเลสทึ่ถึงความมีกําลังเนี่ยมันจะต้องคลี่คลายด้วยอภิธรรมปิฎกแต่ว่าทําไมอภิธรรมไปเรียงไว้สุดท้ายนะ ไม่เรียงไว้ชั้นต้นเลยเนี่ยนะเพราะว่าวินัยเป็นอายุของศาสนาศีลเนี่ยนะเขาบอกว่าศีลก็เหมือนหัวนั่นแหละถ้าคนหัวขาดแล้วจะรักษาอย่างอื่นได้ไหมรักษาไม่ได้แล้วศีลเนี่ยมีความสําคัญในลักษณะนั้น ะ, ะนั้นจะจึงขึ้นต้นด้วยจารณะนั้นมีความสําคัญมากอาจระโคจระสัมปันโนเนี่ยนะถึงพร้อมด้วยอาจระแล้วก็สํารวมในพระปราติโมกเนี่ยนะเห็นภายในโทษมาดว่าประมาณน้อย สมาท า, น ศ, านศึกษาในสิกขาบททั้งหลายพราะนั้นกุศลศีลเนี่ยมีมีความสําคัญมากจริงๆแล้วก็ในกุศลศีลเหล่านั้นก็คืออะไรอนะวิในเพื่อประโยชน์แก่การสังวรนะนะสังวรเพื่อประโยชน์แก่อวิปฏิสารก็เหมือนกับกิมมัธยสูตรเป็นต้นนั่นแหละนะอวิปฏิสารก็เพื่อปีติปีติก็เพื่อปราโมทเป็นต้นเพรา ะ, ะนั้นถ้าหากว่ากุศลศีลเราอ่อนการเจริญธรรมะเราก็อ่อนไปด้วยนะ ยกตัวอย่างนะสถานที่ที่ตรงไหนนะถ้าเราปัจเจกที่อยู่น้อยนีนะที่จะพิจารณาเรื่องขันทารยาตนะเวลาคุยกันเนี่ยพอได้แต่ว่าพิจารณาอะไรเป็นขันกันแน่เนี่ยนะยากอ่อาสพระส่วนใหญ่นี้เวลาเราคุยเรื่องขันทารยาตนานะเราไม่มีสภาวะรองรับรเรามีคําว่าขันรองรับอ่าขันห้านะคําว่าขันห้านี่ขึ้นมาก่อนโฟนะศัทธาสัญญาเกิดขึ้น ประกอบด้วยรูปหนึ่งรูปประขันนึกถึงคำว่ารูปนะถ้าใครเขียนเยอะๆก็รอเรือสะโปะปะปะูป่ปารูปนะนะเป็นภาพตัวอักษรขึ้นมาแล้วรูปประขันประกอบด้วยมหาภูต ร, รูปสนะีอุปาทายรูปเนี่ยนะเราไม่มีสภาวะรองรับเลยนะเสิ่งเหล่านั้นคืออะไรเนี่ยนะส่วนใหญ่ไม่ค่อยใส่ใจไปอย่างใดอย่างหนึ่งเลยนะยกตัวอย่างนะรูปประขันเนี่ยนะถ้าเรียนพระสูตรมาดีรูป ผมขนเล็บฟันหนังอะยังใกล้ความจริงบ้างนะมีผมเป็นอารมณ์ก่อนนะมาพูทธรูปนะนะรูปได้แก่รูปประคันได้แก่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกนะนะได้แล้วในผมเหล่านั้นเนี่ยมีมหาพูทธรูปและอุปาทายรูปนะก็ขยายไปแล้วในรูปเหล่านั้นเนี่ยนะเป็นภาษาธรูปเป็นที่อาศัยเกิดของจิตและเจตสิกนะนะเวทนาขันเณ น, นก็จะเข้ามา ที่เรียกว่าขานเท่าสิ่งเหล่านี้เป็นทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภา ย, ายนอกเออนะจะใกล้ความจริงเข้าไปบ้างแต่ถ้าธรรมนาส่วนทั่วไปแล้วก็โหห่างจริงๆมากเลยนะหรือคําว่าจิตเนี่ยนะเราพูดถึงคําว่าจิตเราไม่ค่อยนึกถึงสภาวะที่รู้อารมณ์เนี่ยน ะ, ะวัถุวิ ญ, ญญาณอารมณ์เราไม่กําหนดเลยว่าเรากําลังพูดจิตดวงไหนซึ่งมีอะไรเป็นอารมณ์อยูนะ่การกําหนดสภาวะอ่อนมาก เมื่ออ่อนนั้นความเข้าใจในพระธรรมในส่วนนั้นนัก็ก็จะอ่อนตามไปด้วยเนี่ยนะเพราะนั่นการพิจารณาส่งเคราะห์คําคสอนลงในชีวิตจริงๆเนี่ยในตัวของเราเนี่ยนะมีความสําคัญมากเลยมันว่าเราจะศึกษาได้ลึกซึ้งมากหรือน้อยก็อยู่ที่การส่งเคราะห์คําคสอนเหล่านี้ลงในตัวเองว่าคําสอนส่วนนี้อยู่ในส่วนไหนของเร า, อ, าอย่างยกตัวอย่างนะในวิตกเนี่ย ถ้าเราฟังสูตรนี้ไปด้วยแล้วนึกถึงความคิดของเราที่ชอบคิดเรื่องราวต่างๆเนี่ยนะเรามีความคิดของเราเป็นอารมณะปัจจัยแล้วเอาคำสอนต่างๆเหล่านี้เป็นเหมือนกับเครื่องมือเข้าไปจัดการนะจัดการกับความคิดอันนั้นอ่ะอันนี้ก็ค่อยๆตรงกับกับสภาวะตามความเป็นจริงหน่อยแล้วก็การศึกษาธรรมะก็จะเห็นว่าเออเหมือนกับการกินยาละใช่เป็นเหมือนกับการรักษาโรคจริงๆว่า ไอตัวนี้คือตัวปัญหานะากุศลจิตเราคือตัวปัญหาคำสอนอันนี้เป็นเหมือนกับตัวยาที่เข้าไปแก้ไขปัญหาอันนี้ได้เนี่ยนะถ้าไม่อย่างนั้นก็ก็ลำบากคือที่ที่กล่าวเช่นนี้เนี่ยเพราะค่อนข้างกันเห็นหลายแห่งอะที่ที่เว е ลาศึกษาแล้วก็จะห่างมากคือห่างความจริงอันนี้เพราะไม่ได้คิดถึงสิ่งเหล่านี้ในชีวิตเท่าไหร่เนี่ยนะก็เลยอ่อนก็ไม่อยากให้เป็นลักษณะนั้น น, นะเนาะ ข้อความสรุปตรงนี้ดีมากว่าเพิ่งทราบคําอุปมาเหล่านั้นดังต่อไปนี้ว่าเหมือนอย่างว่าอาจารย์ผู้ให้คําแนะนําสั่งสอนพระราชกุมารซึ่งมาจากแว่นแขวนภายนอกให้เรียนเอาซึ่งศิลปะว่าด้วยอาวุธหแล้วแสดงสิ่งที่ควรกระทําด้วยอาวุธแม้ทั้ง5้าอย่างนี้ว่าท่านจงกลับไปครองราชสมบัติในแว่นแควนของตนเหลังนั้น ถ้าพวกโจรปรากฏแก่ท่านในระหว่างทางองนั้นขอให้ท่านจงใช้ธนูนี้อ่าชั้นต้นเลยนะนี้แล้วก็จงไปถ้าธนูของท่านหายหรือหักงนั้นใช้จนธนูหักแลยังใช้งานไม่เต็มนะฆ่าโจรไม่ได้จงใช้หอกเอาถ้าหอกหักอะจงใช้ดาบดังนี้เป็นต้นแล้วก็กลับไปพระราชกุมารนั้นได้กระทำเหมือนอย่างนั้นครั้นไปถึงแว่นแคว้นของตนก็ได้ครองเิริราชสมบัติฉันใด ในข้อนี้ก็ฉะนั้นแหละพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะทรงส่งภิกษุผู้ประหมันประกอบอธิจิตเพื่อถือเอาซึ่งผ้ารหัสและทรงแสดงบับพเนะคือทั้งห้าข้อที่ควรที่ควรกำหนดเน่นะเหมือนกับอาวุธหาชนิดเลยนะวิธีการจัดการกับอากุศลเหล่านี้ถ้าว่าอากุศลจิตเกิดขึ้นแก่เธอในระหว่างก็ควรตั้งอยู่ในข้อว่าด้วยนิมิตอื่นว่า ง, งั้นคือ ใส่ใจในนิมิตอื่นก่อนแั้นเปลี่ยนกรรมฐานซ ะ, ะครั้นเธอข่มอกุศลวิตกทั้งหลายได้แล้วก็จักยังวิปัสนาให้เจริญแล้วจักบรรลุพระอรหันต์ถ้าเมื่อไม่อาจอะเมื่อไม่อาจในข้อนั้น น, น, นะนะก็ตั้งอยู่ในว่าด้วยอาทีนกคือพิจารณาโทษของวิตกอันนั้นซ ะ, ะเมื่อไม่อาจในข้อนั้นก็ตั้งอยู่ด้วยอสติบั พ, พะคือไม่ใส่ใจในวิตกอันนั้นเนี่ยนะ เมื่อไม่อาจในข้อนั้นก็ควรตั้งอยู่ด้วยการทาลายมูลเหตุของอกุศลวิตกเมื่อไม่อาจแม้ในข้อนั้นก็ตั้งว่าอยู่ด้วยการขม่มสุดท้ายเนี่ยครันข่มวิตตกทั้งหลายเหล่านั้นได้แล้วจักยังวิปัสนาให้เจริญแล้วจกักบรรลุเป็นพระอรหันตบทว่าวาสีวิตกะปริยายะปะเทสุแปลว่าผู้ชนานาญในทางเดินของวิตกได้แก่ผู้ชนานาญ ตามที่ตนสั่งสมไว้แล้วคือเป็นผู้ชํานาญคล่องแคล่วในทางเป็นไปของการตรึกว่างั้นเถอะชำนาญในเรื่องของการคิดมากางั้นบทว่ายังวิตักกังอากังขิสติปแปล ว, ว่าเธอจักจานงวิตกนี้ใดพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเพื่อจะแสดงถึงลักษณะของความเป็นผู้ชํานาญเพราะว่าบุคคลนี้ครั้งก่อนอยากจะตรึกวิตกใดย่อมตรึกวิตกนั้นไม่ได้ใช่ไหมอยากจะเจริญกรรมฐ า, านโอ้เจริญไม่ได้สักทีอย่างไง ไม่ประสงค์จะตรึกวิตกใดย่อมตรึกวิตกนั้นได้นะไม่อยากคิดอะไรแต่มาบ่อยแล้วเอออย่างเงี้ยเรื่องไหนที่ไม่ค่อยชอบนั่นแหละโผล่มาบ่อยอย่างเงี้ยทำไงอะ่ะแต่บัดนี้เพราะความเป็นผู้ชํานาญแล้วเธอเป็นผู้ไข้เพื่อจะตรึกถึงวิตกใดย่อมตรึกถึงวิตกนั้นได้อ่าเพราะเขาชํานาญในความคิดอย่างเงี้ยนะเขาจึงหยิบยกเอาเรื่องขันเป็นต้นเนี่ยนะมาวิจัยเรื่องขันเลยนะคำว่าขันคืออะไรอย่างยกตัว อ, อย่างเหมือนกับที่กล่าวตั้งหัวเรื่องว่าอายตนะใช่ไหม ถ้าเขาชำนาญในความคิดไม่มีอารมณ์อื่นเข้ามานะ้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องอายตนะจะเข้ามาทั้งหมดอวิธีพิจารณาอายตนะเนี่ยอายตนะคืออะไรก่อนใช่ไหมอายตนะคือคือตาอายตนะคือ ส, สีอายตนะนี่ยังอะไรให้เกิดยังวิถีจิตทั้งวิถีให้เกิดเนี่ยนะครับเราก็ทีนี้ตาเนี่ยจักขายตนะอาศัยปัจจัยใดมาพูตรูปเป็นปัจจัยของจักขายตนะใช่ไหม รูปายตนะมีสีเนี่ยสีมีอะไรเป็นปัจจัยก็มหาภูตรูปเป็นปัจจัยทีนี้แสงสว่างเป็นนะตาสีแสงสว่างมานาสิการเป็นปัจจัยแค่มานายตนะคือจกักรคูวิญญาณนะอาศัยยตนะนั้นประชุมกันจิตเยตสิกก็เกิดขึ้นทั้งวิถีเลยน ะ, ะถ้าได้อย่างนั้นแล้วจะต่อเรื่องกรรมอีกก็ได้สบายแล้วนะหรือจะถ้าหากว่าในสุตันตนายเนี่ยนะสุตันตนายใน อภิธรรมปีดกวิพังเนีนะอายตนะวิ buckets, พังกล่าวว่าพิจารณาตาไม่เที่ยงเป็นท <ừ. S 2> ุกเป็นอนัตตาพิจารณาสีโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาพิจารณาหูไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเนี่ยนะพิจารณาเสียงไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเนี่ยก็ไล่ทั้งหมดเลยแต่ร <anos. S 2> ู้พื oui ้นฐานปัจจัยของตาเป็นอย่างดีแล้วว่าจักขาอายตนะมีอะไรเป็นปัจจัย เนี่ยนะถ้าหากว่าเราจําอุปมาได้เนี่ยจะจะศึกษาคําสอนจังง่ายเหมือนกันนะ mm hmm. มหมาปูตรูปเหมือนกับอะไรอสสารพิษสี่ตัวเนี่ยนะนะก็บอกงูสร้างบ้านองูสร้างเรือนะอะไรเงี้ยเรือนก็คือจักขายตนาเงยโอ้โหงูทั้งหลังเลยบ้านงูทั้งหลังเลยร่างกายของเราก็คือมหาปูตุรูปใช่ไหมประชุมพร้อมของมหมาปูตรูปก็คืออสสารพิษนั่นเองสี่ตัวอันนี้ถ้าแต่ละตัวเลี้ยงไม่ดีมันจะกัดกันเองนะเสร็จแล้ว อส า, อารพิษคือหมหาภูติรูปเป็นที่อาศัยของจักขายตนะโสตายตนะคานายตนะซึ่งอายตนะทั้งหกเหล่านี้เหมือนกับบ้านรา้างเห็นไหมอารมณ์ภายนอกที่เข้ามาเกี่ยวข้องเหมือนกับโจรปล้นแเก็บอกว่าบ้านร้างนะบ้านงูว่าบ้านที่งูทั้งหลังเลยนะอยู่โจรมาปล้นใหญ่เลยแล้วก็ ปล้นมานักมายากรก็เริ่มเล่นงานนะแสดงหลอกตาเลยนะว่าโจนปล้นมายากรก็หลอกเลย อ, ะอ่ะไม่ได้ปล้นรอกมายาก็หลอกละมายากรหลอกสร้างเอาไปต้นกล้วยบ้างตอมน้ํำบ้างไฟไหม้เลยพลบขึ้นมานะแต่ละอย่างพบสามเหมือนกับไฟไหมนะถ้าเราคํานึงถึงอุปมาบ่อยๆก็จะศึกษา ก, ก็เบาเหมือนกันนะอุปมาที่ทในคําสอนกล่าวไว้เนี่นะก็เบาช่วยได้เยอะ แล้วจะทําให้เห็นว่าถ้าสายใจว่ามหาภูตารูปเหมือนกับอสราพิษสตัวนี่นะถ้าตามลักษณะของปริญญาเนี่ยเป็นประธานะปริญญานี่เป็นชั้นประธานะปริญญาเพราะละวิปลาธรรมได้นี่นะก็จะเริ่มเห็นทุกเห็นโทษเห็นภัยของแต่ละตัวเนี่ยนะบอกว่าโอ้โหเป็นฝ่ายอื่นนะเราก็จะฟังง่ายขึ้นใช่ไหมฝ่ายอื่นเป็นปฏิปักษ์เป็นผู้ฆ่าเป็นเหมือนกับ ของขอยืมเข้ามาเป็นเหมือนอะไรเนี่ยนะอุปมาแต่ละอย่างก็จะง่ายไปเที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังโรคซ้อนเป็นความลำบากเป็นเหมือนของขอยืมเข้ามาเป็นของที่มีชาติเป็นธรรมดามีชราเป็นธรรมดามีพยาธิเป็นธรรมดามีมรณะเป็นธรรมดามีโสกะปริเทวะทุกขโทมณัตโอปายาตเป็นธรรมดาอาศัยสิ่งเหล่านี้แหละทำให้พราดลาดจากของอันเป็นที่รักทําให้ประจวบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รัก แล้วก็อาศัยสิ่งเหล่านี้แหละทำให้ตั้งความปรารถนาบางอย่างแล้วก็ไม่สมความปรารถนาใช่ไหมก็อาศัยสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดนะั้ะสิ่งเหล่านี้ก็คือวัตทุขุกถามว่าวัตทุขุกเหล่านี้เกิดจากอะไรก็เกิดจากความเข้าไปยินดีในโจรปล้นโจรมาปั๊บเนี่ยยินดีในโจนในต้อนรับเลยมามาดีนะรีบมานะอย่างเงี้ยใช่ไหมนั่นแหละคือไอ้ความยินดีของเรานั่นแหละคือต้อนตอแห่งไอ้ทุกข์โทษ ท, ทั้งหมดที่ว่าเนี่ยนะก็เกิดจากความ ยินดีในอารมณ์เมื่อเข้าไปตามยินดีในอารมณ์ก็คือเท่ากับไปยินดีในปัจจัยแห่งอุปาทานหรือเข้าไปยินดีในปัจจัยแห่งสังโยชน์หรือเข้าไปยินดีในปัจจัยแห่ ง, ง, ห น, น, หง น, นะทั้งอุปาทานทั้งสังโยชน์ทั้งโอคาโยคาเป็นต้นเนี่ยนะก็เหมือนกับต้นไม้ต้นหนึ่งเราไปรดน้ําพรวนดินใส่ปุ๋ยอยู่ทุกวันเนี่ยนะมันจะทําที่สุดแห่งทุกได้อย่างไรแต่ถ้าหากว่าเข้าไปใคร่ครวญคำหนึ่งพิจารณาถึง ทุกโทษภัยต่างๆเหล่านี้ของสิ่งเหล่านี้ได้เราก็สามารถที่จะทําที่สุดแห่งวัตถุทุกได้แต่ว่าการที่จะพิจารณาอย่างนี้ได้บ่อยเนี่ยนะถ้าตาสีปั๊บจากขุทวานวิถีเนี่ยเข้ามาทั้งวิถีเลยนะต้องไม่ลืมว่าวิถีจิตเมื่อมองเห็นปั๊บวิถีจิตเนี่ยนะเกิดขึ้นชาวนะในวิถีเนี่ยมันเป็นชาติชาติกำอ่ะเนี่ยนะชาติกุศลและอกุศลเมื่อสองชาติทั้งกุศลและอกุศลเนี่ยนั่นคือ เจตนากรรมนั้นเป็นเป็นภพเรียกว่าภพภพอันนี้ให้ผลในชาตินี้เป็นอุปาติภพในชาตินี้ให้ผลในภพต่อไปก็มีเพราะ้ตัวนั้นก็เป็นตัวที่โยนไปเพื่อชาติชราพยาธิมรณะต่อไปเพราะนั้นวัตถุทุกทั้งหมดของเราข้างหน้าก็คืออยู่ที่ความคิดขณะนี้นั่นเองเราจะคิดอะไรอนะถ้าเราเลือกคิดดีไอความคิดอันนี้ก็เป็นไปเพื่อเกิดในภพที่ดีภพที่ดีมจะต่างจากนี้เท่าไหร่ใช่ไหมก็มาเอาแบบนี้กันแหละ มานั่งเรียนอย่างนี้กันเนอะสนุกดีแข่งกันน่ะสนุกดีเนอะได้ที่หนึ่งเนี่ยยิ้มแป้เลยอนะเอาไหมถูกจนปล้นจนได้เลยไม่ว่าไปไหนก็บอกว่าถ้าพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆนะพบสามเหมือนถูกไฟไหม้เนะทีนี้พอเราพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆก็จะเห็นว่ามหา กับพลิงกระหานหรือเครื่องมหาภูตรูปเหมือนเนื้อบุตรเนี่ยนะมันไ ม, ไม่ไม่น่ายินดีแล้วเห็นว่าผัสสหารเหมือนกับวัวที่ถลกหนังมโนสันเจตนาหารเหมือนกับอะไรบุรุษสองคนเนี่ยฉุดไปในหลุมฐานเพลิงวิญญาณอาหารเหมือนกับบุรุษที่ถูกหอกทิ่มมาละสามร้อยเล่มมาอาะไรมันก็ไม่มีอะไรน่ายินดีก็สามารถทำที่สุดแห่งทุกได้ใน อาซวิสาสูตรสังยุตติกา迦สลายยตนาวัคเนี่ยนะอ่านเรื่องสูตรนี่ดีก็บอกว่าผู้ที่มีอินทรีย์อ่อนก็จะได้อบรมบ่มอินทรีย์เนี่ยนะดีนะสูตรนี้ น, นะสูตรที่ว่าอสสารพิษสตัวนะอาซี RC, วิสาสูตรสังยุตตินายสลายยตนาวัคเนีย่ยนะชื่ออาซีวิสาสูตรนะก็สูตรที่อุปมาว่าด้วยอสสารพิษมางั้นเลยนั่นแหละเป็นสูตรที่ที่บอกว่าเป็นอเพื่อกูลต่อ การเจริญสมณธรรมหรือการเจริญกุศลธรรมในผู้าศาสนามากนะอะนะาศีวิสาสูตรน ะ, ะสูตรที่อุปมาด้วยบางงวดสังยุตตนิกายสลายตนะวักสูตรนีดนรรน้ดีถ้าถ้าเรามีมณสิการบ่อยๆเอยร่างกายเรานี้เหมือนอสอระพิษสีตัวนะเวลามันเจ็บมันป่วยมันอะไรขึ้นมาปุ๊บเราไม่ค่อยทุกข์เท่าไหร่นะ คือไม่ค่อยไม่ค่อยซีเรียสกับมันนะักเอ๊ะนี่ปวดหัวเออเนี่ยงูไหนมันกัดดีนะกำลังนึกหาไปนะปวดหัวเออธาตุไฟมันเกิดจากร้อนใช่ไหมนี่ธาตุไฟมันกัดยังไงปวดฟันเอ๊งูอะไรกัดยังไงปวดแขนปวดขางูไหนนะมันกัดใช่ไหมก็แสดงว่าเราเลี้ยงวิบัติเนี่ยเขาบอกว่าอสรพิษสีตัวเหมือนกับกรรมเนี่ยมันให้ผลมาทีเอ กรรมเนี่ยนะเหมือนพระราชาเขาว่าพระราชาเนี่ยมอบอสรพิษสีตัวให้ให้นักโทษนะนักโทษกับพวกเราเนี่นนะก็ให้นักโทษอนะสรพิษสีตัวว่าท่านไปบํารุงเลี้ยงดูให้ดีนะพวกนี้ดีใจใหญ่เลยโอ้ดีนะพระราชานี่มีเมตตาให้เครื่องประดับเรามาทั้งสี่อย่างว่างั้น <c oughs> ไปบํารุงเลี้ยงดูเลยนะธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟเสร็จแล้วบอกว่า มีบรุษคนหนึ่งเขาวางเงินบัณฑิตมาบอกเอ้ยงูนะั่นะนะ่ะถ้าท่านเลี้ยงไม่ดีนะมันกัดเอานะ่ะนะในพระสูนนี้อุปมาดีน่าอ่านนะ